อาจารย์ครับกา่นวธรรมานครับผมเจริญลพรทุกท่านที่กําลังรับฟังอยู่รับชมอยู่ตอนนี้ครับพระอาจารยครับเลยคือหครับผมพระอาจารย์ครับตอนที่ผมถ่ายทอดทางของพระอาจารย์ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมจะเห็นคําถามที่มาจาก f เฟซบ o ๊กเพจของพระอาจารย์ด้วยครับผมอันนี้ดีเลยครับพระอาจารย์ครับคําถามแรกนี้ผมผม ผมถามเองนะครับก็ก็อย่า ง, เ ร, งเรื่องของวันนี้ครับคือมีความสับสนกันระหว่างเรื่องจิตเรื่องสติกับเรื่องของความคิดนะครับมีหลายคนถามผมเรื่อยเลยว่าเหมือนเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับผมขอความกระจ่างจากพระอาจารย์ดีกว่าครับผมคําว่าเจต น, นี้คำว่าเจตนี้แปลว่าผู้รู้ผู้คิดผู้ที่กําลังรู้อยู่ว่าเรากาลังพูดอะไรกันอยู่นี่คือจิตแล้วผู้ที่กําลังคิด แล้วก็ส่งความคิดออกมาทางวาจาที่เราพูดคุยกันนี้เรียกว่าเป็นเป็นจิตจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนคำว่าสตินี้หมายความว่าการรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นรู้อยู่กับว่าเรากำลังพูดอะไรกันอยู่ถ้าไม่มีสติจะไม่รู้ว่าเรากำลังพูดอะไรกัน หรือว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งรลอรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่เขาเรียกว่าการมีสติหรืวรู้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ก็เรียกว่าเป็นการมีสติคือการรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเดิบเชรายาเมาแล้วเกิดอาการมึนเมานี่จะขาดสติ เกิจะไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรหรือกำลังทำอะไรคำว่าสตินี้ก็คือการตื่นตัวการรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดกำลังคยุยกำลังดูอะไรกำลังฟังอะไรต้องมีสติถึงจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือทันเียกว่าการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนคำว่าความคิดนี้ก็เป็นสิ่งที่จิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาตัวที่ทำความปรุงแต่งความคิดก็เรียกว่าสัมขารในในภาษาของพระของธรรมะในจิตนี้ที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี้มีมีความสามารถอยู่สี่อย่างด้วยกันคือสามารถคิดได้ สามารถจำได้คิดได้นี้เรียกว่าสังขารจาได้นี้เรียกว่าสัญญาแล้วก็สามารถมีรับรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้เรียกว่าเวทนาเวทนาและมีความสามารถที่จะรับรู้เสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายนี่คือวิญญาณทำหน้าที่เหล่า น, นี้ หน้าที่อผู้ที่ทําหน้าที่สี่อย่างนี้บีอยู่ภายในจิตอีกทีหนึ่งส่วนตัวจิตเองนี้เป็นผู้รู้รู้ว่ากําลังสุขกาลังทุกข์รู้ว่า ก, ก, กํากลังคิดเรื่องอะไรรู้ว่ากําลังจำเรื่องนั้นจำเรื่องนี้ได้หรือไม่รู้ว่ากําลังเห็นรูปได้ยินเสียงผู้รู้นี้คือจิต น, นี่ก็คือ ความหมายของคำที่ถามว่าจิตคืออะไรสติคืออะไรความคิดคืออะไ ร, รก็อยู่ในจิตทั้งหมดนี่ไม่ได้อยู่ในร่างกายในร่างกายนี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็เป็นนะจิตนี้ก็เป็นนามธรรมรูปคิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปประธรรมที่เป็นร่างกาย เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่าง ก, กายต้องสัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตของตนเองครับผมแล้วเมื่อกี้มีคนถามว่าจิตเดิมแท้ที่คืออะไรครับอาจารย์เขาว่าจิตเดิมแท้คือจิตที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งจิตที่สงบนิ่งอยู่ไม่มีกิเลสตัณหาทํางานอยู่ในช่วงนั้นเช่นจิตที่เข้าสมาธินี้ ก็เรียกว่าเป็นจิตแท้กลับไปสู่สภาพเดิมสภาพที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีสัญญาความจำได้หมยรู้มันจำว่าเราเป็นนายกในายคอเนือความคิดปรุงแต่งอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรตอนนี้มันจะหยุดทำ ง, งานชั่วคราวสิ่งที่เหลืออยู่ก็เพียงแต่สัตว์ว่ารู้ที่เรียกว่าจิตเดิมจิตแท้นี้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ยังเป็นจิตที่ยังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเพียงแต่ว่าพักตัวชั่วคราวในขณะที่เข้าไปในสมาธิพอออกมาจากสมาธิกิเลสตัณหาโมหะวิชาก็จะให้ปุงแต่มว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมอเป็นพระเป็นอะไรต่างๆ่ขึ้นมาอีกทีแต่เวลาสงบตัวเข้าไปในสมาธิเหมือนกันทุกดวงไม่มีอะไรไม่มีหมอไม่มีพระไม่มีอะไรทั้งนั้น มีแต่ผู้รู้เองียอย่างเดียวครับผมเข้าใจนะครับอาจารย์ครับทีนี้เป็นคําถามจากท่านผู้ชมนะครับคุณวิทิดาบอกว่าการฝึกมือเคลื่อนไหวอันนี้ส่งเท่ากับการนั่งสมาธิดูลมหายใจไหมคะบุญที่ได้เท่ากันไหมคะไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นการฝึกสติเพื่อให้จิตนี้จดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆจะใช้การดูมือกะนะ็ได้น หรือจะแต่ถ้าจะใช้ใหม้มันเข้าหลักกับความเป็นจริงควรจะใช้กับการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเพราะเราจะมานั่งดูมืออย่างเดียวทั้งวันไม่ได้นะเราจะต้องมีการทางานรับประทานอาหารอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวทำงานให้ดูการกระทำเหล่านี้ของร่างกายเพื่อเป็นการฝึกสติ เพื่อให้จิตนี้ตั้งมั่นอยู่กับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นไม่ให้ลอยไปกับความคิดปุงแต่ความเพ้อฝันอะไรต่างๆนี่คือการฝึกสติเท่านั้นถ้าจะให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็นั่งหลับตาดูหายใจเข้าออกหรือดูคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปจนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบ แล้วตอนนั้นล่ะถึงจะเกิดบุญคือความสุขที่เกิดจากความสุบที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่สูงสุดเพียงแต่ว่าการได้ความสุขแบบนี้จากสตินี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวยังไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวรนี้ต้องเจริญปัญญาเพื่อละกิเลสความโลภความโกรธความหลมให้หมดไปจากใจ แล้วใจก็จะสงบอย่างถาวรตลอดอนันตกาลความสงบแบบนี้เราเรียกว่าภาณิพา น, านครับคํถาถามจากคุณภาวนาครับพระอาจารย์ครับธรัสการพระอาจารย์สวัสดีคุณหมอขอถามค่ะทําอย่างไรจะไม่ย้อนคิดอดีตคะคือเวลาถ้าเราไม่ต้องการให้จิตเราคิดอดีตเวลากําลังคิดอดีตอยู่ก็ให้เบนดึงจิตห้ามาให้คิดเรื่อง นให้มาคิดอยู่กับบทสวดมนต์สวดบทไปสวดมนไปยาวๆหรื อ, ร อ, ร อ, รอท่องบริกรรมพุโทโธไปนานๆความคิดย้อนอดีตก็จะหยุดไปแต่ต้องทำอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่จะคิดไปทางอดีตแล้วเราไม่ต้องการให้มันคิดเราก็ต้องใช้สติหยุดมันถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปสติเรามีกำลังดีเราไม่ต้องสวดก็ได้เราไม่ต้องพุโทโธก็ได้ เพียแต่พอร่วกำลังจะคิดไปในอดีตแล้วก็สามารถหยุดมันได้ทันทีถ้าเรามีสติที่แก่กล้าแล้วในการฝึกสตินี้จะเป็นตัวควบคุมความคิดต่างๆและเป็นตัวที่จะสั่งให้จิตคิดไปในทางใดก็ได้คำถามจากคุณพิธิดาครับ <c oughs> การเป็นโสดาบันคือถือศีลห้าเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และไม่ลังเลสงสัยอะไรเลย ทำแค่นี้ก็เป็นโสดาบันแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกสิ่งที่ต้องทำที่จะเป็นโสดาบันจริงๆก็คือต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะรู้ชั้นด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นตัวจิตมันไม่ได้เป็นตัวเราเราคือตัวจิตเราเพียงแต่มาเกาะติดกับร่างกาย แล้วก็ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรานั่นเองเราต้องแยกจิตออกจากร่างกายให้ได้ด้วยการปฏิบัติสมาธิซึ่งจะแยกออกชิตกาชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่เที่ยมจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ต้องปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตาย ไม่ต้องกลัวความแก่ไม่ต้องกลัวความเจ็บไม่ต้องกลัวความตายเพราะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันได้แล้วจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามมาโดยอัตโนมัติและจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าชีวิตเพราะรู้ว่าศีลนี้เป็นสิ่งที่จะปกป้องจิตใจไม่ใหไ้ไปรับโทษต่ตางๆนั่นเอง คำถามจากคุณเจี๊ยบพีครับสวัสดีค่ะอยากคุมสติเมื่อต้องสนทนากับคนเกลียวกาศค่ะถ้าใจเราไปมีปฏิทิริยากับความเกลียวกาศของเขาแล้วก็ต้องใช้สติหนึ่งไว้เช่นให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปฟังอย่าไปดูอย่าไปสนใจกับการความเกลียวกาศของเขาเรารักษาใจให้เรานิ่งเฉยเฉยด้วยการท่องพุทโธพุทโธไปหรืสนนอสวดนะโมตัสสะก็ได้ ส่วนอิทธิพิโสก็ได้ไปภายในใจแล้วใจของเราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ไปเกี่ยวการกับเขาคําถามจากคุณชาวบริทครับเรียนสอบถามเวลานั่งสมาธิแล้วขนลุกทั้งตัวและบางครั้งมีอาการสั่นครับอาการขนลุกทั้งตัวนี่ก็เป็นเรื่องปกติถ้าเรียกว่าปิติเวลาจิตเข้าสู่ความสงบในระดับต้นๆนี่จะมีความรู้สึก ปิติขึ้นมาบางทีน้ําตาไหลบางทีคนลุกทั้งตัวแต่อาการสารั่นนี่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นการขาดสติก็ได้แล้วทําให้มีอาการสารั่นขึ้นมาได้คําถามจากคุณลาเลนครับอยากถามพระอาจารย์ว่าวันไหนที่เจอคนที่เคยว่าเราเสียหายวันนั้นจะนั่งสมาธิไม่ได้เลยทํายังไงดีคะ พยายามแล้วก็ไม่ได้กราบสาธุค่ะก็ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็เดินจงกรมสวดมนต์ไปก่อนนะัน่งสวดมนต์ไปก็ได้เดินจงกรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้จนกว่าเราจะลืมคนที่ทําให้เราเสียหายนั้นเราจิตเรากลับมาเป็นปกติเราค่อยกลับมานั่งสมาธิต่อไปกลับเรียนอาจารย์เรียนท่านผู้ชมนิดนึงนะครับ พอดีโปรแกรมครับอาจารย์มารีเฟรชคําถามคําถามตั้งแต่8 2ทุ่มจนถึง2ทุ่ม8นาทีหายไปหมดแล้วแต่ขออนุญาตเพื่อนๆส่งคําถามกลับเข้ามาใหม่นะครับตอนที่ผมเห็นกับตอนที่8โมง8นาทีเลยนะครับกับจากคุณสุภระชัยครับกาบนักสกัดพระคุณเจ้าขอโอกาสท่านอธิบายเรื่องการแยกรูปนามคืออะไรแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราแยกได้แล้วหรือยังครับสาสุรครับอรูปนามก็คือ ส่วนที่เป็นรูปเราเรียกว่าร่างกายเนี่คือรูปของเราส่วนนามก็คือส่วนที่อยู่ภายในจิตใจที่เมื่อกี้ได้พูดไว้สี่อย่างด้วยกันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นนามนามธรรมาส่วนร่างกายนี้เป็นรูปธรรมแต่มาเกี่ยวข้องกันมาร่วมทีมเป็นทีมงานอันเดียวกันคือร่างกายนี้ ทำมาจากดินน้ำลมไฟเราเรียกว่ารู ป, ปรธรรมส่วนานมามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มากับจิตจิตผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วก็ใช้ทั้งห้าส่วนนี้มาเป็นเครื่องมือในการเสรสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่นเราใช้ตาแว้นดูภาพใช้หูไว้ฟังเสียงร่างกายนี้มีตาหูจมูกนิ้งกายให้ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถพระส่วนจิตก็มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายด้วยวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดถ้าพะแล้วมาเสด็จนรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดมีการจดมีการ จำได้ไหมรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้สัมผัสนั้นเป็นใครเป็นอะไรดีหรือไม่พอรู้ว่าดีหรือไม่ก็จะเกิดความสุขหรือทุกข์ขึ้นมาภายในใจถ้าได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีที่ชอบก็จะเกิดสุขเวทนาถ้าไม่ถ้าสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาณที่ไม่ชอบไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดสังข า, ารความคิดตุงแตง ในการที่จะกําจัดความรู้สึกที่ไม่ดีไปด้วยการพยายามกจัดรูปเสียงกินลดที่สร้างความรู้สึกไม่ดีขึ้นมานี่คือการทำงานของลูปกํานางนีการแยกก็คือเราต้องรู้ว่าร่างกายนี้เป็นรูปธรรมร่างกายนี้ทำมาจากดินน้าลงไปท่าสี่ ส่วนนามธารรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่มากับจิตเป็น ส, ส critique, ิ่งท ja ี่ไม่สูญสลายไปตามกับร่างกายร่างกายนี้ทั้งวันหนึ่งก็จะต้องสูญสลายไปแต่รูปเวแต่สัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จะไม่ได้สลายจะอยู่กับจิตต่อไปด้วยการที่ไปเกิดใหม่ไปรับร่างกายใหม่ต่อไป ก็ให้แยกอย่างนี้ให้รู้ว่ารูปเป็นอะไรให้รู้ว่านามเป็นอะไรเท่านั้นเองคือให้รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นรูปประทับส่วนจิตใจนี้เป็นนามธรรมาครับผมคำถามจากคุณเรโน 2F นะครับการกาบพระราชาเจ้าค่ะขอหลักในการฝึกสติเตรียมตัวที่จะละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อววร และมีหลักในการเดินทางไปในโลกหน้าอย่างไม่มีนิวรณ์ครับก็ในหลังก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องมีศีลที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติสมาธิและสติถ้าไม่มีศีลเราจะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมได้เพราะเราก็จะไปทําเรื่องราวต่างๆที่ศีลไม่อ้ามางเช่นศีลแปดศีลแปนี้จะห้ามไม่ให้เราไปเที่ยว ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดนยการไปดูหนังฟังเพลงหรือไปทำอะไรต่างๆอันนี้ถ้าไม่ถือศีลแปดเราก็จะไปกันได้พอถือศีลแปดนี้ก็เหมือนเราถูกล็อกดาวน์ออกไปนอกบ้านไม่ได้มันก็จะทำให้เรามีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สมบ ถ้าเรามีสติมีสมาธิใจสงบใจมีรูเบกขาใจจะสามารถปล่อยวางล ะ, ละสังขารได้อย่างไม่หวั่นไหวถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าสังขารคือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราสักวันหนึ่งจะต้องแก่เจ็บตายไปเราก็ไม่ฝืนความจริงอันนี้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยสติด้วยปัญญา พอเวลาที่ร่างกายจะตายเราก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกทุกข์วุ่นวายไปกับความตายของร่างกายได้อย่างไดยิ่งต้องปฏิบัติสมาธิและปัญญาด้วยการสนับสนุนของการรักษาศีนิขึ้นไปคำถามเจ้คุณไก่พิมพ์พิวัฒนะครับการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตได้ไหมเจ้าคะ่ะวิมุตแปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ การเ้าสมาธิการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ชั่วคราวเราจึงไม่เรียกว่ามีมุตเพราะความมีมุตนี้หมายถึงการหลุดพ้นอย่างถาวรคือพระนิพพานนี่หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยปัญญาถึงจะหลุดพ้นได้อย่างถาวรหลุดพ้นด้วยสตินี้หลุดพ้นได้ชั่วคราวเช่นเวลาเข้าไปในสมาธิแต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาความทุกข์ที่หลุดพ้นไปก็จะกลับขึ้นมา คำถามจากคุณนําโชคครับมีพี่สังเกตไหมครับว่าเราเหมาะกับการปฏิบัติวิปัสนาฐานไหนในสี่อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมขอบคุณครับ อ, อ๋อมันไม่ใช่เป็นฐานที่เราจะเลือกปฏิบัติมันเป็นข้อสอบที่เราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจและปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตอันนี้ด้วยธรรมที่เราจเจริญกันเกิดสติและปัญญานี้ สติปัฏานที้มีไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเราตอนนี้เรากําลังมีความทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นเรายึดติดกับเวทนาว่าเป็นเรายึดติดกับอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตว่าเป็นเราเราต้องมาปฏิบัติเพื่อถอดถอนความหลงอันนี้ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาแล้วก็สอนใจ ให้รู้่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายไม่เทีย่ยงเวทนาไม่ใช่เราเวทนาไม่เทีย่ยงอารมณ์ที่มีในจิตก็ไม่ใช่เราไม่เทีย่ยงถ้าไปาอยากให้มันเทีย่ยงก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากที่จะให้มันเทีย่ยงเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายกับเวทนาและกับอารมณ์ที่มีภายในจิตของเรานั่นเองนี่คือการปฏิบัติ แต่ต้องปฏิบัติเป็นขั้นไปขั้นแรกจเจริญสติให้ได้สมาธิแล้วก็มาศึกษาความธรรมความจริงของร่างกายว่าเ ท, ที่ยงไม่เที่ยงเป็นเราหรือไม่ได้เป็นเราเช่นเดียวกับเวทนาและจิตตามลำดับต่อไปคำถามจากคุณพีละดาะครับกราบธรรมศการ์ข่าพระอาจารย์สวัสดีค่ะคุณหมอระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจา กลับคิดว่าจะทำอย่างเดียวจนครบภาษาจะได้บุญเท่ากันไหมคะมันไม่ได้หรอทั้งสองอย่างนี้ต้องต้องทำถึงจะได้เพียงแต่คิดเพียงแต่พูดแล้วไม่ไม่ทำมันไม่ได้บุญอะไรนั้นถ้าไม่คิดไม่ทำแล้วทาถ้าไม่คิดไม่พูดแต่ทำนี่ก็ได้บุญนั้นบุญเกิดจากการกระทำไม่ได้เกิดจากการคิดหรือการพูดการคิดการพูดนี้เป็นตัวรเริ่มให้เ ร, เรากระทานั่นเอง แต่เมื่อเราเริ่มแล้วแต่เราไม่ทําตามที่เราเริ่มมันก็ไม่เกิดบุขึ้นมาเง้ยถ้าเราที่ว่าเราจะจําพรรษาเราก็ต้องอยู่ครบอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้กรบทั้งพรรษาให้นะเราถึงจะได้บุจากการจําพรรษาครับผมการคิดการพูดนี่มันเป็นอธิษฐานเฉยใช่ไหมครับอาจารย์อ่าเป็นความเหมือนกับเป็นการตั้งเป้าไว้ครับผมเป็นเหมือนกับเป็นการให้คํามั่นสัญญากับตัวเราเองว่า เราจะต้องทําสิ่งเหล่านี้แล้วนะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเราจะต้องอยู่ที่เดียวอยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนปฏิบัติทำตลอดสามเดือนถ้าเราไม่ตั้งไว้เราก็จะไปไหนมาไหนก็ได้แต่พอเราตั้งแล้วเราไปไม่ได้แล้วที่นี่ครมาชวนเราไปไหนมาไหนเราหวังเสียใจวันนี้เข้าพรรษาต้องอยู่จำพรรษาถึงจะได้บุญต้องเกิดจากการกระทําครับคำถามจากคุณธนชัยครับ ขอรััฒการสอบถามครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้ที่มีคนตายเยอะเราพิจารณาว่าการเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดอีกก็จะทุกข์อีกตัวเราก็เหมือนกันแบบนี้เป็นการใช้ปัญญาที่ถูกต้องไหมครับก็ถูกคือการเกิดนี่มันจะทําให้เราต้องตายกันนั่นเองถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่ต้องตายกันที่เราจะทำไงไม่ทําให้ไม่เกิดอันนี้คือตัวยากอยู่ตรงนี้เพราะตัวที่ทําให้เราเกิดก็คือกิเลสตัณหานี่เอง คือความอยากต่างๆความอยากหาความสุขจากเลื่อดเสียงกลินรถอย่างที่พวกเราอยากกันทุกคนนี้ความอยากมีอยากเป็นอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตและความอยากไม่มีไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้เขาดูถูกดูแคลนเราอยากไม่ให้เขาด่าเรานี่คือความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันและต้องตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติธรรม ด้วยศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจนะ้เราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปคำ ถ, ถามจากคุณเบญจวรรณหอมหวนครับกับเรียนพระอาจารย์ค่ะขอถามค่ะคนสติไม่ดีวงเล็บคนบ้าเวลาตายไปแล้วจิตจะยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าคะมันก็เหมือนเดิมจิตใล้ยบ้ามันคล้าบ้าต่อไปจนกว่าอานาจของกรรมที่ทาให้จิตบ้านนั้นมันหมด ก็อาจจะได้สติกับคืนมาจากคุณวันนียาครับดิฉันรับภาะระครอบครัวไว้หนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ขอคําแนะนะําค่ะก็มีใครบังคับเราหรือเปล่าถ้าไม่มีใครบังคับเราเราอยากจะปล่อยเมื่อไหร่เราก็ปล่อยได้สมมติว่าเราตายไปวันนี้แล้วเขาจะทําำไงต่อไปให้คิดอย่างนี้บ้างเขาได้น ที่วันที่สุดเราก็ต้องจากกันไปเมื่อเรามันแบกภาระไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยนะจากคุณตุ๊กนภักนะครับขณะนั่งสมาธิแต่เรารู้ตัวเหมือนมองดูตัวเองอยู่บางครั้งมือที่ซ้อนกันก็หายไปบางครั้งรู้สึกถึงหัวใจเต้นไปทางนั้นทีทางนี้ทีในใจพลันไปคิดว่าจิตนี้เหมือนลิงจริงๆอันนี้คืออะไรคะ การไม่มีสติเนี่ยดมีสติน้อยไม่สามารถบังคับจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาคือคืออารมณ์ที่เราใช้กำหนดผูกจิตไว้เช่นพุโทโธด้วยการดูลมหายใจเข้าออกนั่นเองแทนที่จะดูลมหายใจเข้าออกหรือแทนที่จะพุโทโธเราก็ไปดูเรื่องน้น เ, เ, เ, เรื่องนี้ ส, สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าการที่ไม่มีสติคือมีสติน้อยเต่ว่าไม่มีสติเลยก็ไม่ใช่ มีแต่ไม่มากพอที่จะดึงจิตให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างตอ่อเนื่องยิ่งต้องพยายามฝึกสติให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ยามนานให้ต่อเนื่องให้ได้แล้วเวลานั่งสมาธิถ้าเราไม่ได้ไปถ้ามีสษษติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันจะไม่ไปมีอาการอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาหรือมีเราก็จะไม่สนใจเราก็จะไม่ไม่ไม่ไม่เผลอเราก็จะอยู่กับ อารมณ์ที่เรากําหนดไว้จยกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบต่อไปคํถาถามจากคุณวอรครับคราบเรียนถามพระอาจารย์การทําบุญด้วยเงินหนึ่งร้ยบาทกับการทําบุญด้วยเงินหนึ่งพันบาทด้วยจิตใจด้วยบริสุทธิ์ที่อยากจะให้เท่ากันได้บุญเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันถ้าเป็นของคนเดียวกันนะถ้าเป็นของเราแล้วทําบุญน้อยบาทกับทําบุญพันบาทนี่การเสียสละแบ่งปันของเรานี่ต่างกัน เสียร้อยหนึ่งเราจะมีความรู้สึกมีความรู้สึกความสุขใจในระดับหนึ่งเสียพันบาทนี่เราจะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นว่อเราได้เสียะสะละมากขึ้นอันนี้พูดถึงไม่เปรียบเทียบกับคนเดินนะคือเปรียบเทียบกับตัวเราเองระหว่างการทำบุญ ล, ล้อยบาทกับทำบุญพันบาทนี่ความรู้สึกในใจความสุขใจอิ่มใจพอใจภูมิใจนี่จะไม่เท่ากัน แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นนี้เป็นคนละเรื่องนะว่าวถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราต้องดูว่าร้อยบาทของของคนลของคนหนึ่งนี่มันเป็นสัดส่วนของทรัพย์ที่เขามีเท่าไหร่พันบาทนี้เป็นสัดส่วนของทรัพย์ที่เขามีเท่าไหร่เช่นถ้าร้อยบาทนี้เป็นสัดส่วนสิบเปอร์ซของทรัพย์ที่เขามีอยู่แล้วก็พันบาทนี้ก็เป็นสัดส่วนสิบเปอร์ซของของทรัพย์ที่เขามี อย่างนี้แสดงว่าคนสองคนที่ทำบุญได้มีความรู้สึกเท่ากันเพราะทำบุญน้อยและสิเท่ากันต้องดูที่สัด ส, ส่วนของทรัพย์ที่เราูญเสียไปคำถามจากคุณพัฒนรัตน์นายครับการดูจิตคืออะไรครับก็ดูสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจิตของเราโดยเฉพาะตีเล็กตันหาโมอาอวิชาความร่ว ง, งความโกรธความหลงความอยากต่างๆเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องการกําจัดก็ เ, เป็นเหมือนกับหมอที่ดูร่างกายนี่ดูหาเชื้อโรคหาว่าเชื้อโรคมีอยู่ในร่างกายของเราชนิดไหนเพื่อที่จะได้เอาอยาชนิดนั้นมากําจัดมันเราก็ต้องดูจิตเพื่อที่รักษาจิตของเราจิตของเราตอนนี้เป็นเหมือนร่างกายที่ไม่สบายเพราะมีเชื้อโรคคือความโลภความโกรธความหลงที่มาสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆให้กับจิตของเรา เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องดูเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องทําลายกิเลสตัาหาปัญญานี้ท่านเปรียบเทียบเป็นเหมือนยาสตินี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการสอดส่องคน้คนหาดูว่าตอนนี้ร่างกายถูกเชื่อโรคชนิดไหนคือถูกกิเลสชนิดไหนกําลังสร้างความทุกข์ให้ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยกิเลส ชนิดนั้นให้ได้ถ้าปล่อยได้เชื้อโรคนั้นก็หมดไปความทุกข์ที่เกิดจากเชื้อโรคนั้นก็หายไปนี่คือการดูจิตดูเพื่อรักษาจิตไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองมีความทุกข์ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญากาจัดมันทันทีคำ ถ, ถามจากคุณทเดชครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขา่าดการที่เรามีรู้สึกที่เรียกว่าอารมณ์รักโลภโ ก, กรธหลง ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาต้องพัดพลากความกลัวแล้วเรารู้ว่านี่คืออารมณ์เราเห็นอารมณ์ที่กำลังแสดงนี้เรียกว่าติใช่ไหมเจ้าคะแต่เราควบคุมบังคับบัญชามันไม่ได้ได้แต่ดูได้แต่รู้ให้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เห็นบ่อยๆเข้าจึงเข้าใจทุกและละมันไปเสียจากการเกิดแก่เจ็บตายและหาหนทางสู่ที่ที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะการถูกกระทาซ้าแล้วซ้าเล่าก็เป็นจุดเริ่มต้นคือการมีสตินี้อ เราเห็นว่าทุกนี้เกิดจากกิเลสตัณหาแต่การรู้เฉยๆแค่นี้มันจำกิเลสตัณหามันจะไม่มีวันหมดไปไมันต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการนี้เนือไปเกี่ยวข้องไปวุ่นวายด้วยนี้เป็นตจลักเป็นอนิจจังเป็นอนัตนตาเป็นทุกข์ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขา ถ้ไม่อยากจะทุกก็ต้องอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นอะไรก็ตามถ้าไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาปั๊บมันก็อดที่จะไปเกี่ยวข้องโดยไม่ได้ทางที่ไปเกี่ยวข้องนี้ก็คือกิเลสและความอยากอยากให้สิ่งที่เป็นเราเป็นของเราดีไปตลอดพอมันไม่ดีไปตลอดเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจถ้าเราเห็นอย่างนี้ต่อไป เราก็จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรเพราะเรารู้ว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวไปอยากให้มันดีให้เป็นของเราไปตลอดมันจะเป็นไปไม่ได้แล้วพอมันเกิดการเสื่อมไปหมดหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจอันนี่คือวิธีกำจัดความทุกข์ใจด้วยสติด้วยปัญญาคือให้เห็นใรละในสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการคำ ถ, ถามจากคุณนัทอรินทรั์ครับ การภาวนาอานาปานสติทำให้เราหลุดพ้นได้ไหมคะให้หลุดพ้นได้ชั่วคราวคือให้จิตสงบเข้าสมาธิพอจิตเข้าสมาธิความทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราวเรีวยกว่าหลุดพ้นแบบชั่วคราวแต่พอสติอ่อนกำลังลงจิตก็จะถอนออกจากสมาธิมาแล้วก็มาเริ่มสร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่ด้วยความโลภความอยากต่าง ถ้าต้องการให้หลุกพ้นอย่างท้าวอนหลังจอากออกสมาธิมาแล้วพอเกิดความโลภกอดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่จิตโลภจิตอยากเพาว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจะไม่เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดพอเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่ก็จะตัดความโลภความอยากในสิ่งต่างๆได้เพราไม่มีความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆจิตก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไป คำถามจากคุณวีนาครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์คนที่ด่าพ่อแม่ใช้พ่อแม่ทํางานฆ่าพ่อแม่ตายไปจะไปไหนคะก็ไปอบายเท่านั้นแหละ เ, เพราะเป็นเหมือนพวกยังอย่างอย่างย่งน้อยที่สุก็เป็นเหมือนพูกสัตว์เดราชานสัตว์เดราชานมันก็ไม่รู้จักพ่อจักแม่มันต้องการผลไปอยู่อะไรมันก็จะพยายามเอาให้ได้ นึกถ้าหนักกว่า น, นั้นถ้าฆ้าพ่อฆ่าแม่ก็จะไปในไปนรกทันทีคําถามจากคุณกิตินันครับทำมาลุกปัสนาสติปัฏฐานคืออะไรคะทําอย่างไรคะคือการดูว่าทำที่ควรจะมีมีอยู่ในใจแล้วหรือไม่เนื้อธรรมที่มีอยู่ในใจเราตอนนี้มีอะไรบ้างเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอกุศลธรรมถ้ามี ถ้ามีความโลภความโกรธความหลงนี้ก็เป็นอกุศลธรรมถ้ามีเมตตากรุณามุนิตาก็เรียกว่ามีกุศลธรรมนี่คือการจดการการดูใจของเราว่าเรามีธรรมชนิดไหนธรรมชนิดดีเราก็สร้างขึ้นมาหรือรักษาให้มีมากขึ้นทำธรรมชนิดไม่ดีเราก็ต้องกำจัดเหมือนกำจัดความโลภความโกรธความหลงสร้างความ ทำที่ดีคือสติสมาธิและปัญญาความเมตตากรุณามุริต า, า, าขึ้นมาในใจเรานี่คือคำหมายของธรรมานุสติให้ดูว่าเรามีธรรมชนิดไหนอยู่ในใจของเราถ้าเป็นกกุศลแธรรมเราก็ต้องกําจัดถ้าเป็นกุศลแธรรมหรือไม่มีกุศลแธรรมแล้วก็ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้รักษาใจให้อยู่ในความสงบปราศจากความทุกข์นั่นเอง คำถามจากคุณพิมลพันธ์ครับกลาบหลวงพิสการเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าหนักแขนนะคะเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เวลานั่งแล้วมันจะมีอาการต่างๆมาเล่าใจไม่ต้องไปสนใจมันถ้ามันเป็นเพียงแต่อาการที่เกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิพอจากสมาธิแล้วก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม แ, แสดงว่ามันเป็นมายาหรือเป็นมานที่จะมาคอยขัดขวางการนั่งสมาธิของเรา ไม่ให้เข้าสู่ความสงบงั้นเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องสนใจให้ภาวนาต่อไปให้ดูลมไปให้พุดโธไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบคํถาถามจากคุณแอนนี่ครับจิตสุดท้ายเวลาใกล้ตายควรคิดถึงสิ่งใดคะคือทุกคนนี่เข้าใจผิดคิดว่าสามารถมาสังจิตให้คิดอะไรไปได้ในขณะที่จะใกล้าตาย ขณะที่ยังไม่ตายยังสั่งไม่ได้เลยเมื่อเวลาใกล้ตายนี่จะไปสั่งมาได้เลยถึงเวลานั้นแทบจะไม่มีสติเหลืออยู่แล้วเพราะความกลัวตายฉันั้นการที่เราจะฝึกจิตสุดท้ายนี้ต้องฝึกในขณะนี้ขณะที่เราสามารถควบคุมจิตใจได้ต้างควบคุมให้จิตหยุดให้นิ่งให้ได้ให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้นี่คือการการเตรียมตัวเพื่อให้จิตเป็นจิตสุดท้ายถ้าเราสามารถ ควบคุมม e, ังคับจิตให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางร่างกายได้ในขณะนี้เวลาตายเวลาจิตเวลาตายไปจิตสุดท้ายก็จะสามารถควบคุมจิตให้สงบให้ปล่อยวางร่างกายได้แต่ถ้าตอนนี้เราควบคุมจิตให้สงบให้ปล่อยวางร่างกายไม่ได้แล้วตอนที่เราจะตายเราจะไปสั่งมันให้ปล่อยวางร่างกายได้ ถามจะคุณนิภาวัตรครั บ, ก, บกราบธมทศการพระอาจารย์ข้าขอถามพระอาจารย์ค่ะพระโสดาบันต้องเข้าสมาธิได้ถึงระดับไหนคะก็การที่จะเข้าสูออ่อริยธรรมคือเข้าสู่ขั้นระดับปัญญาได้นี้ต้องมีอย่างน้อยอุเบกขาการที่จะได้อุเบกขานี้ต้องเข้าสู่ระดับฌานสีขึ้นไปคํถาถามจะคุณศินสิน ส, น ส, น ส, นสนิครับพระอาจารย์ใส่บาตร ท, ทาบุญให้คนเป็นได้ไหมคะ คือให้คนเป็นแล้วก็เลี้ยงอาหารเขาเพียแต่เราไม่ใส่บาทเพราะเขาไม่มีบาทมาเราหรือเช่นตอนนี้มีคนยากจนตกงานไม่มีอาหารที่เราทำตู้แบ่งปันอาหารหรือเราทำโรงทานนี้ก็เนี่ยเป็นการทำบุญใส่บาทให้กับคนเป็นให้เขาได้บุรุพ้นจากความทุกข์ส่วนคนตายที่เราไม่สามารถใส่บาทให้เขาให้อาหารเขาได้เพราะเขาไม่มีร่างกายแล้ว เราจะกินได้ก็เพียงแต่บุญที่เราทําแล้วเราอุทิศแบ่งไปให้กับเขาเท่านั้นบุญก็คืออาหารใจอาหารทิพนี่แต่คุณเยวาวภาครับสามีไม่ค่อยทําบุญจะหวานล้อมอย่างไรเจ้าคะถ้าทําดิฉันต้องเป็นคนนําทุกครั้งไม่ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหวานล้อมเข้าไปด้วยกันชวนเข้าไปเป็นเพื่อนมาช่วยไปทําบุญช่วยช่วยหน่อยช่วยไปใส่บาตรหน่อยอะไรอย่างนี้ เมื่อฝึกเข้าไปเรื่อยๆต่อไปเขาอาจจะชอบแล้วก็อาจจะทําเองต่อไปก็ได้ถ้าเราไม่ฝึกอะไรเขาก็จะไม่มีวันทำเลยแต่พอเขาได้ทําแล้วก็อาจจะได้สัมผัสกับความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาในใจของเราแล้วเขาอาจจะติดใจแล้วต่อไปก็อาจจะชวนเราไปทําก็ได้คําถามจากคุณยศสวัสดิ์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติ อ๋อนี่ไ่ใช่เป็นเวลาที่จะมานั่งเล่าเรื่องอย่างนี้ต้องไปศึกษาพระพุทธประวัติเอาจะในก o เกิลก็ได้เนี้ยเห็นคำว่าพุทธประวัติก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่นี่เป็นเป็นการเป็นที่ตอบคําถามต่างๆไม่ใช่เป็นที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพราะเวลามันําาอ่จํากัดแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเป็นที่ที่จะแสดงแบบนี้ที่นี่ที่นี่มันเป็นที่ ตอบคําถามต่าง ๆ, ๆที่ผู้ยังมีความเข้าใจอยู่ถามมาคําถามจากคุณสรินครับการได้เห็นจิตเดิมแท้จากการนั่งสมาธิสามารถเห็นได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งคะก็ทุกครั้งที่เราเข้าสมาธิได้เราก็จะเห็นได้ทุกครัง้งเลยยิ่งเข้าบ่อยมันยิ่งจะทำให้เราเริ่ว่าจิตกับร่างกายนี่เป็นคนละคนกัน เราต่อไปเราจะได้สอนจิตว่าอย่าไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเป็นจิตเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ดูแลมันได้ในระดับที่มันดูแลได้แต่เกินนั้นมันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของมันคือความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเราไม่สามารถทำลายได้ก็ต้องปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปเท่านั้นเองถ้ายังทําได้ก็ทําไปแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแล้วเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน เพราะเรารว่าเป็นผู้รู้ผู้ขึ้นเราเป็นจิตแท้จิตเดิมนั่นเองจากคุณวันร้านไลค์ครับอาจารย์เรียนถามพระอาจารย์ผ่านคุณหมอคนที่ชอบถวายสังฆท า, า, านสมาทานศีลก่อนถวายแทบทุกครั้งนอนทําสมาธิบ้างอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ไหมครับก็เป็นเป็นได้แต่ยังเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นต่ำอยู่ขั้นขั้นอนุบาลการปฏิบัติที่จะอยู่ในระดับเอ ระดับปัญญานี้ต้องอยู่เป็นพวกที่ปฏิบัติอย่างเดียวคือปฏิบัติสมาธิกับปัญญาเป็นหลักส่วนการทําบุญทําทานนี้จะจะหยุดไปหลังจากถ้าได้ก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วเช่นพวกที่ไปบวชเป็นพระนี่เขาไม่ทําบุญทําทานแลเขามุ่งไปที่การปฏิบัติศิงสมาธิปัญญา แต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยู่ขั้นอนุบาลก็มีการถวายสันธ า, านใส่บาทรทำอะไรไปก่อนทาทานศีลคือรักษาบ้างไปรักษาบ้างไปก่อนแตพอเริ่มเห็นคุณค่าของการปฏิบัติว่าทำให้จิตใจดีขึ้นสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็อยากจะปฏิบัติสูงขึ้นมากขึ้นไปต่อไปก็จะหยุดการทาบุญทำทานแล้รุ่งไปสู่การปฏิบัติ สมาธิและปัญญาโดยเป็นหลักด้วยการสนับสนุนของการรักษาสีเพื่อไปเป็นนักบวช น, น, นั่นเองครับคำถามจากคุณชัดชพงครับทำบุญทำกรรมอะไรที่ทำให้เกิดเป็นพยาครุฑพญานาคครับอันนี้เราไม่ทราบนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องาาครุฑเรื่องพญานาคถ้าดูแล้วพยาครุฑพญานาคมันก็ยังเป็นเดรัจฉานอยู่ น, นั่นเอง ก็เป็นคุดก็เป็นนกพญานาคก็เป็นเป็นเป็นงูเป็นว่าอาจจะทาบุญทาทานมาเยอะด้วยเลยทำให้กลายเป็นผู้มีบารมีเป็นคุดเป็นนกที่มีบารมีเป็นงูที่เป็นบารมีมีบารมีมีทานบารมีสนับสนุนโดยทำให้เขาได้เป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั่วไปเทานั้นเองก็เป็นสัตว์ในราชาอยู่ดี คุณพชรวัตครับการเรียนถามผู้อาจารย์ที่ว่าจิตเห็นใจลักนั้นเราเห็นอย่างไรครับก็เหมือนกับเราเห็นโลงนี้แบนหรือโลกนี้กลมเราเห็นอย่างไรสมรรัยก่อนไม่มีดาวเทียมไม่มีจรวดขึ้นไปถ่ายภาพโลกให้เราดูเขาก็ต้องใช้สักกะสอนสอนจิตให้ว่าโลกนี้ไม่แบน่นเช่นเขาสังเกตดูว่าเวลาเรือเรือเข้ามาสมาาัยก่อนเป็นเรือใบมันจะมีมีใบมีเสาธง เวลาเรือเข้ามาถ้าเราอยู่ที่ฝัง่งเวลาเห็นเรือเข้ามานี่เราไม่ได้เห็นทั้งลําพร้อมๆกันใช่ไหเราจะเห็นส่วนที่สูงก่อนคือเสาธงก่อนเห็นธงก่อนแล้วก็เห็นใบแล้วค่อยมาเห็นตัวเรือตามลําดับนี่แสดงว่าเรือนี้วิ่งมาบนผิวที่มันเป็นโค้งเว้าเหมือนคนที่ขีม่ม้าข้ามเขามานี้เราจะเห็นอะไรก่อนเวลาเขาข้ามเขามาเราก็จะเห็นคนขี่ก่อนถ้าเขามี ถือธง ก, ก็เราก็จะเห็นธง ก, ก่อนเห็นส่วนที่สูงก่อนพอพื้นผิวที่เขากขาเขาเดินมาลื่นนั่งกี่ม้ามานี่มันโค้งเว้าเขาก็เลยสรุปได้ว่าโลกนี้มันไม่แบนพื้นผิวมันไม่เรียบพื้นผิวนี้มันโค้งเว้าเพียงแต่ว่ามันใหญ่มากเลยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเรียบในสายตาของเราแต่ตามตรรกะแล้วเราจะรู้ว่ามันโค้งเว้า ก็สรุปถ้ามันคงว่ามันก็ต้องเป็นเหมือนผลไม้เหมือนส้มเหมือนอะไรมันก็ต้องเป็นของกลมไม่ใช่เป็นของแบนอันนี้ก็เหมือนกันการจะเห็นตไหน้าก็ต้องดูเสียไตล่างมีสามลักษณะลักษณะหนึ่งคือไม่เทียมท่านบอกให้ดูร่างกายเราไม่เทียมดูยังไงว่าไม่เทียมเอาก็มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่มันเกิดมาจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วตอนที่เราเกิดนี้ถ้าเราถ่ายรูปไหม แล้ววันนี้เราถ่ายรูปของเราวันนี้เราไปเปรียบเทียบอยู่รูปของเราวันนี้กับรูปที่เราเกิดนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนละอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่เที่ยมลแล้วไม่เทียมมากกว่า น, นี้ก็คือมันจะดับด้วยไปดูเวลาคนตายไปนี้ร่างกายก็หายไปไหนนะร่างกายถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านนี่คือการดูศึกษาความไม่เทียมของร่งางกายศึกษากับทุกสิ่งทุกอย่างได้ว่าไม่เทียมเช่นฟองน้ำไม่เทียมไหม ฟองน้ําเวลาน้ําเราไปไปไปคนน้ํามันก็เกิดฟองขึ้นมาแล้วเดินซักฟองน้ำฟองเหล่านะั้นมันก็แตกหายไปอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมืกันเขาไม่เที่ยงก็คือไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือเราต้องศึกษาด้วยตากะด้วยการสังเกตดูสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่คงเส้นคงวา เองแต่บางอย่างมันเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วเท่านั้นเองแต่ไมัน่าไม่ใช้ก็เร็วมันก็ต้องทําไปหมดสภาพไปนี่เรียกว่าการเห็นว่ามันไม่เที่ยงต้องต้องศึกษาต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นไม่เที่ยงอนัตตาก็คือไม่ใช่ของเรามันไม่ได้อยู่กับเราไปตนเราวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องแยกจากเราไปอันนี้ก็เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของเรา เราทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากที่เราไปอยากให้มันเที่ยงใะ่ไหมเราอยากจะให้ของที่เรามีอยู่นี่อยู่กับเราพอไม่อยู่กับเรามันแสดงความไม่เที่ยงขึ้นมาเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปอ น, นี้เกิด ก, การศึกษาใต้หลักของในสิ่งหต่างๆต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดเปรียบเทียบเราถึงจะเห็นใต้หลักได้ ถามจากคุณวาสนาครับการจะปฏิบัติต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะและสติปัญญาต้องใช้ควบคู่ได้ไหมคะเดิ่มต้นก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อเรามีสติแล้วเราสามารถใช้สตินี้สร้างปัญญาต่อไปได้หรือให้จิตไปศึกษาเรื่องราวต่างๆตามหลักความเป็นจริงตามหลักของไตรลักษณ์แล้วก็ศึกษาไปก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีไม่ใช่ของเรา อยากให้เที่ยงอยากให้เป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลามันไม่เที่ยงเวลามันจางออไปใช่เบื้องต้นฝึกสติก่อนควบคุมจิตให้บังคับให้จิตคิดไปในทางที่เราต้องการคิดให้ได้ก่อนถ้าไม่มีสติจิตมันจะคิดไปในทางอวิชชาความหลงเพราะมันถูกฝึกมาถูกฝึกถูกสอนมาให้คิดไปในทางนั้นเราต้องหยุดจิตแม่มันคิดไปในทางนั้นด้วยสติ ถ้าเรามีสติแล้วก็จะหยุดความคิดไปในทางอาวิชชาได้เมืม่อหยุดมันได้แล้วเราก็สั่งให้มันคิดมาทางปัญญาได้ต่อไปต่อไปถ้ามีสติแล้วปัญญาก็จะตามมาแล้วต่อไปสติปัญญาก็จะทำงานควบคู่กันไปคาถามจากเจฮียงสายวารีครับกราบน้ววัชการถามพระอาจารย์นะคะเป็นคนพิการทำยังไงให้จิตใจเป็นสุขและหลุดพ้นคะ ก็ต้องอยอม ร, รับว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันร่างกายของเราทุกคนนี้มันไม่เหมือนกันบางคนก็มีอาการครบ32บางคนก็ไม่ครบบางคนก็พิ ก, พ ก, พการขาดได้สิ่งได้สิ่งหนึ่งเมื่อเรามันได้ร่างกายอย่างนี้มาถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องทําใจอยอมรับกับความเป็นจริงว่าเราได้แค่นี้มีแค่นี้ก็ยินดีเท่านี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์กับ กั บ, บการพิการของร่างกายเพราะความทุกข well ์ของร่างของของใจนี่เ voilà ก um> ิดจากความอยากให้ร่างกายนี้มันสมบูรณ์เหมือนคนอื่นพอร่างกายของเราไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเราก็เลยทุกข์ใจเพราะเราอยากให้มันสมบูรณ์เท่านั้นเองถ้าเรายอมรับว่าเราทําไม่ได้ทําให้ร่างกายมันสมบูรณ์เหมือนร่างกายของคนอื่นไม่ได้มันเป็นแค่นี้มันได้แค่นี้ถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่กับมันไปได้ คำถามจากคุณลุงอินพาไปเบิรกครับกราบพิจารณาขันห้าจะต้องถอยจิตที่สงบให้อยู่ในสมาธิระดับใดครับเออระดับปกติคือระดับที่จิตสามารถคิดปรุงแต่ได้เหมือนตอนนี้เพียงแต่ว่าถ้าจิตที่ไม่มีสมาธินี้จะเป็นจิตที่ไม่อยู่นิ่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่สามารถบระคับให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างต่อเนื่องจึงต้องไปทําจิตให้มีสมาธิก่อนพอจิตมีสมาธิแล้วจิตจะนิ่ง ถ้าเราสั่งให้จิตคิดในเรื่องใดเรื่องหนึง่งมันก็จะคิดได้ได้นานได้ต่อแน่คำที่เรามักจะพูดกันอยู่เรื่อยๆซึ่งมันเป็นคำที่เราใช้ผิดก็คือสมาธิเราบอกว่าวันนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยแสดงว่าจิตเราไม่ยอมอยู่กับงานชอบไปคิดเรื่องนัง้นเรื่อง น, งนี้จึงไม่มีสมาธิอยู่กับการทำงานงเราต้องฝึกสมาธิให้จิตนิ่งให้สงบให้หน่าก่อน พอเราได้สมาธิแล้วเราก็จะเอาสมาธินี้มาใช้กับการทำงานต่อไปได้แต่ไม่ได้ใช้ในขณะที่อยู่ในสมาธิต้องออกจากสมาธิแต่สมาธิที่เราได้มันจะมันจะทําให้จิตเรานิ่งจิตของเราจะไม่วอกแวกจะไม่วิ่งไปวิ่งมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้จะอยู่กับเรื่องที่เราบังคับให้มันทําอย่างเพ่งอย่างเดียวคําถามจากคุณกิตินันครับเวลานั่งแล้วเจ็บข้อสะโพกขวาตลอดเวลา ควรจะเปลี่ยนท่าเรื่อยๆแบบสงบหรือพยายามอดทนแต่เวลาทนจะไม่มีสมาธิครับถ้าต้องการให้จิตสงบมากกว่านี้ก็ต้องอยากไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายถ้าเราไปขยับก็เหมือนเราถอยกลับมาเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่เราปฏิบัติสมาธิเราก็จะได้เพียงถึงแค่จุดที่เวลาที่ร่างกายเจ็บเท่านั้นเราก็จะไม่สามารถทำจิตให้สงบมากไปกว่านี้ได้ ถอยากให้จิตสงบมากกั่นี้เราก็ต้องอยากไปขยับร่างกายอยากไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายใช้สติบังคับให้จิตยอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการให้ใจเข้าสู่สมาธินั่นเองหรือให้อยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับการดูลมหายใจไม่ให้ไปสนใจกับเรื่องอื่น<ๆ>เช่นความเจ็บของร่างกายถ้าจิตสามารถเกาะติดอยู่กับอารมณ์ได้ต่อไปจิตก็จะสงบแล้ว จะไม่สนใจกับจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายคํถาถามจากคุณพิสมัยครับกราบสาธุเจ้าค่ะลูกดือ้อเถียงเก่งไม่ค่อยเชื่อฟังถือว่าเป็นกรรมไหมคะก็เป็นดีสซยของเขาคนเราแต่ละคนมีนิสัยมาไม่เหมือนกันบางคนก็มีนิสัยชอบค้านชอบเถียงบางคนก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่าย อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาที่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนผลก้าไม้บางคนเขาเป็นเหมือนส้มบางคนก็เป็นเหมือนกล้วยเราต้องรู้ธรรมชาติของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงของเขาแล้วก็พยายามเปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผลด้วยการพูดจาด้วยการสั่งสอนได้แต่เขาจะเปลี่ยนหรือไม่นี้ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้เองเขาต้องเปลี่ยนได้เขาต้องเปลี่ยนตัวเอง ด้วยการเรียนรู้จากเราว่านิสัยอย่างนี้ไม่ดีนะจะทำให้เรานี่อยู่กับใครไม่ได้จะไม่เจริญก้าวหน้าถ้าเราเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนจะอยู่กับคนอื่นได้จะเป็นคนที่จเจริญก้าวหน้าได้แล้วก็สอนก็ได้ด้วยเหตุผลด้ว า, าความถูกผิดดีชื่วว่าเป็นอย่างไรส่วนเขาจะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่นั่นมันอยู่ที่ความสามารถของเขาที่เราไม่สามารถทาให้เขาได้เขาต้องทำเาเอง คำ ถ, ถามจากคุณจันท์ครับทุกเพราะการพรัดพรากจากสิ่งที่รักควรทําอย่างไรให้ทุกน้อยลงได้ครับก็ต้องยึดต้องปล่อยวางความอยากอยากอยากอยู่ด้วยกันเป็นนานเป็นตัวที่ทําให้เราทุกเวลาที่ต้องจากกันถ้าเรามีความอยากไม่อยากอยู่ด้วยกันนี้เวลาจะพัดพากจากกันจะดีใจไหมเป็นคนสองคนอยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดอย่างนี้พ อ, อพัดพากจากกันนี้จะร้องห่มร้องไห้หรือไม่ไม่ร้องห่มร้องไห้ เพราไม่มีความอยากอยู่ด้วยกันงนั้นต้องตัดความอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆให้ได้เพราะเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ชักวันหนึ่งจะต้องมีการพัดผ้าจากกันถ้าเราตัดความอยากให้อยู่ร่วมกันไปนานๆได้เวลาพัดผ้าจากกันเราก็จะไม่ถูกคําถามจากคุณศิรินันท์ครับขอกราบนพรสการพระอาจารย์ช่วยแนะนําการพิจารณาภายในกาย เรามองดูอวัยวะภายในอย่างไรคะเป็นภาพมโนของอวัยวะต่างๆหรืออย่างไรคะคือเราต้องการศึกษาความจริงของร่างกายเพราะว่าความจริงของร่างกายที่เรารู้กันตอนนี้มันเป็นเซี่ยวเดียวของของของร่างกายอีกหลายส่วนที่เรามองไม่เห็นกันคือที่ส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของเรามันเลยทําให้เราหลงคิดว่าร่างกายนี้สวยงามน่ารัก น, น, น่าดู แต่ถ้าเราต้องการดูความจริงของร่างกายเราก็ต้องดูอาการที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังตั้งแต่เนื้อเข้าไปใต้ผิวหนังก็มีเนื้อแล้วก็มีเอ็นมีกระดูกแล้วก็มีอวัยวะต่างๆเช่นมีปอดมีม้ามีตับมีไตมีหัวใจมีลำไส้อันนี้เราก็ต้องนึกภาพออกขึ้นมาถ้าเรานึกไม่ออกก็ไปดูภาพที่นักศึกษาแพทย์เขาเขาใช้ศึกษาดูกัน อาจจะเป็นภาพวาดเขียนก็ได้หรืออาจจะเป็นภาพที่เขาถ่ายมาก็ได้เวลาที่เขาชนะศพอย่างนี้อันนี้เป็นการที่จะทำให้เราได้เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายได้แลวจะทำให้เราไม่หลงไหลคลัง่งใครไปกับความสวยความงามของร่างกายที่เราเห็นจากภายนอกเท่านั้นอาจารย์ครับแต่อย่างผมเนี่ยผมก็เห็นมาเยอะแยะเลยครับ แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อใดครับก็ไม่ดูมันตลอดเวลาที่เกิดความอยากไม่เอามาใช้มันไงต้องเอามาใช้ตอนที่เกิดความอยากพอเห็นใครสวยให้หล่อนี่ปั๊บต้องเอาอาการสามที่สองเขาออกมาดูเลยพาชันสูตรในขณะนั้นทางใจเลยทำการชันสูตรคนที่้อาที่ว่าสวยว่างงามเลยแล้วข้างใต้ผิวหนังก็มีอะไรบ้างถามตัวเองเขามีกระโหลกศีรษะหรือไม่หน้าตารอๆสวยๆนี้ ภายใต้ผิวหนังอันนี้ถ้าเราฉีกผิวหน้าออกไปมันก็เป็นเหมือนหน้ากากนั่นเองใช่ไหมหนังนี่มันก็เป็นเหมือนหน้ากากค อ, อบกะโหลกศีรษะนี่เองอันนี้เราต้องฝึกต้องฝึก ด, ดูกระโหลกศีรษะอยู่เรื่อยๆน้อ เ, เอามาเปรียบเทียบกันระหว่างมีผิวหนังครอบกับเวลาไม่มีผิวหนังครอบเป็นอย่างไรต้องดูทั้งสองภาพแล้วพยายามจดจําให้ได้ปัญหาคือมันไม่ยอมจดจำนะ แล้วพอเวลาเห็นภาพสวยๆงามๆ ม, มันลืมไปเลยว่าเป็นเพียงหนังครอบกระโหลกศรีรษะดีๆนี่แต่คุณนันวันนัทครับกราบถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิทําไมแน่นหน้าอกครับต้องทํำยังไงครับอ๋อมันเป็นปกติของปิเลสที่จะมาคอยขัดขวางการนั่งสมาธิของเรามันจะสร้างอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมา ถ้ามันเป็นเฉพาะช่วงที่นั่งสมาธินะก็ไม่ต้องไปกังวดอย่าไปสนใจต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามใช้ใช้สติให้อยู่กับพุทโธไปหรือให้อยู่กับลงหายใจไปให้ได้เดี๋ยวเดียวถ้าจิตเข้าสู่ควาสมสงบแล้วอาการเหล่านี้จะหายไปจากคุณพัทธมาศครับกาญนวัฒ ก, การค่ะเวลาทำสมาธิแบบสบายๆจะเห็นอะไรแปลกๆเวลาลืมตาเช่น แสงสีขาวส่องจากฟ้าระยะห่างไม่มากเมฆเป็นรูปต่างๆเช่นรูปขุดเกิดได้อย่างไรคะชอบศึกษาพุทธาศาสนาอิงกับวิทยาศาสตร์ค่ะควรยึบหลักใดทําสมาธิต่อคะอันนี้ไม่ใช่เป็นการทําสมาธิเนี่ยเป็นการปล่อยใจเปิดใจให้คิดปูนแต่งไปถึงเรื่ราวต่างๆการหน้าสมาธิา ต, าต้องการความคิดปูนแต่ให้สงบแล้วนะเพื่อให้จิตว่าให้จิตมีความสงบมีความสุบ เพะเวลานั่งสมาธิที่ถูกต้อง น, นี้ต้องมีสติกับกับจิตให้อยู่กับอารมณ์ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับคําบาลีคำพุโทโธพุโทโธไปแล้วอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้จิตนั่งเฉยเฉยแบบสบายสบายจิตก็จะสร้างมโนภาพอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราแล้วนั่นเองแต่คุณบอมครับการออกจาก นั่งสมาธิกำหนดอย่างไรครับก็สติไงให้รู้ว่าต่อไปนี้เราจะหยุดจะหยุดนั่งแล้วเราจะเปนนลี่ยนนิยาวดุลขึ้นมายืนก็ให้มีสติกำกับต่อไปกำกับการการเคลื่อนไหว ข, ข, ของร่างกายต่อไปคำถามจากคุณธีราพรศรีชัยครับกราบนรัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะถือศีลแปดอยู่ที่บ้านต้องใส่ชุดขาวไหมเจ้าคะ แล้วแต่เราเราอยากจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะศีมันไม่ได้อยู่ที่ชุดขาวหรือชุดดําหรือชุดเขียวมันอยู่ที่การรักษาศีแปดข้อในี้ให้ได้ทางกายทางวาจาทางใจเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าผอนที่เราสวมใส่มันเป็นเครื่องแบบที่เราสวมกันเวลาที่เราไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งรวมกันเช่นพวกถือสีแปดเขาให้มุ่งเขามุมเ ข, ข่าก็จะได้ยากจากพวกที่ถือศีห้าหรือพวกที่ไม่ถือสี จะได้รู้ว่าคนละพวกกันนะเข้ากลุ่มกันไม่ได้เพราะเข้ากลุ่มกันแล้วเดี๋ยวมันไม่รู้ใครเป็นใครคำนามนที่คุ ณ, ณัาตาครับพอเข้าถึงธรรมะแล้วมีความสุขใจในการดําเนินชีวิตแต่เสียดายที่เข้าถึงธรรมะช้าไปตอนอายุสีสิบไปปลา ย, ลายหากชาติหน้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกอยากเข้าถึงธรรมะเร็วกว่านี้จะต้องทําอย่างไรคะกะชาตินี้ยังไม่สายเกินไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังมีต้องสี่สิบห้าสิบปีถ้าเรา เป็นคนที่ไ ม, ไม่ตายไม่ตายแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ตายแบบความประมาะแล้วชีวิตของเรานี่ยังจะอยู่ไปได้สี่ห้าสิปีถ้าอย่างสบายเลยแล้วมีเวลาเหนือเฟื่อในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมขั้นสูงสุดได้พระวจนะชาติสอนว่าใช้เวลาเพียงเจวันหรือเจ็เดือนหรือเจ็ดปีนี้ก็สามารถบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้แล้วงั้นไม่สายเลยตอนนี้ถ้าเข้าถึงธรรมได้แล้วทําไม ทำไมันไม่ปฏิบัติให้มันสูงขึ้นไปกว่านี้เท่านั้นเองอย่าหยุดที่ตรงนี้ทำเพิ่มให้มากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมากเท่าไหาร่ยิ่งดีแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเจ็ดวันหรือ 7, เจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีนี้ก็จะสามารถเข้าถึงธรรมขั้นสูงสุดทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายขลังต่อไปจากคุณสายพันธ์ครับนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายควรทำยังไงต่อคะก็นั่งต่อไปให้รัว่วลมหายแล้วก็อยู่ รู้รู้เฉยๆไปรู้อยู่กับการไม่มีลมไปไม่ต้องไปขวายฟ้าหาลมไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งว่าไม่มีลมก็เราจะตายหรือไหมตามใจที่เรามีสติรับรู้อยู่นี้ไม่มีไม่มีความตายตารที่เราไม่รับรู้ลมก็ลมมันละเอียดเราไม่สามารถจับได้ก็เราก็จับความว่างไปจับจับการไม่มีลมไปอยู่กับการไม่มีลมไปแต่ไม่ได้มาฆ่าลมหายหรื่องลมหม ยังไม่สิ้นลบนมยังมีอยู่เพียงแต่เราจับมันไม่ได้เท่านั้นเองก็ไม่ต้องไปหามันให้รู้เฉยๆไปรู้ ก, กับการไม่มีลมไปรู้อยู่ที่จุดเดิมถ้าเราดูลมที่ปลายจมูกก็ดูนมนั้นต่อไปแล้วก็ดูที่จิตว่าคิดปรุงแต่งหรือไม่ถ้าคิดก็หยุดมันให้มันรู้เฉยๆ คำถามจะคุณคิดคามครับกราบธรรมสถานพระอาจารย์ค่ะลูกอยากไปถือศีลแปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่สั ป, ปายะเช่นวัดป่าต่างๆแต่ยังมีความกลัวความมืดกลัวผีกลัวสัตว์เลืคานเช่นตุ๊กแกงูตะขาบจะทําอย่างไรจึงจะหายกลัวสิ่งเหล่านี้ได้คะเราก็ต้องกลัวสิ่งนี้แล้วก็ต้องเข้าไปหามันเรากลัวสัตว์เลยคานเราก็ต้องเข้าไปหามันไปดูมันกลัวตุ๊กแกก็ไปดูมั น, กก น, มนอยู่ใกล้มัน เราใช้สติใช้ปัญญาว่าตัวมันนิดเดียวเราใหญ่กว่ามันต้องเยอะแยะมันไม่กลัวเราแล้วเราไปกลัวมันทําไมคือเราก็ต้องให้มันอยู่ในที่มันไม่มากัดเราได้เช่นงูก็ไปดูงูในโกลนี้เป็นต้นสังเกตดูมันมันก็เป็นสัตว์มันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนร่างกายของเราเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการเป็นการทําความรู้จักกับสิ่งที่เรากลัว แล้วความกลัวอาจจะน้อยลงไปแต่ทางที่ดีสุดวิธีที่จะทําให้เราไม่กลัวก็คือเราต้องฝึกสติให้มากถ้าเรามีสติทําให้จิตเรานิ่งได้แล้วความกลัวมันจะหายไปจากใจเอเราเป็นวิธีที่แก้จริงๆต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบให้ได้เพราะอจิตสงบแล้วจะเป็นจิตจะเป็นลงเบคขาความล่างช้ำกลัวลงจะสงบตัวไปชอดขาว คำถามจากคุณลิจณีครับหนูเข้าศาสนาคริสต์ตามสามีชาวมาเลเซียเจ้าค่ะแต่ก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระตามปกติเป็นบาปใหม่เจ้าคะเป็นบุญใหญ่การสวดมนต์นี้เป็นบุญเลยไม่ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดรม่ว่าคนอื่นจะถือศาสนาอะไรไม่เกี่ยวกับเราถึงแม้เขาจะให้เราถือศาสนาของเขาเราก็ยังสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ คำถามเจ้าคุณอรัญยานามวงครับนักวิชการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าสงฆ์ที่ป่วยเป็นเบาหวานเวลาท่านบินธบาต ท, ท่านสามารถสวมรองเท้าได้หรือไม่เจ้าคะกลับมาพูดค่ะคือตามพระวินัยนี้ถ้าไม่มีข้อยกเวน้นการบินธบาตินี้ต้องไม่ไมสวมรองเท้าถ้าป่วยเข้าอยาไปบินธบาตเนี่ยเปถือว่าเป็นพระอาพาธก็อยู่ที่วันแล้วก็อาศัยอาหารที่พระท่านไปนบินธบาต ท, ที่แบ่งมาให้ชั้นกันได้ เพว่าถ้าเปสวมรองเท้าแล้มันจะทําสร้างความสับสนให้แก่ผู้เราต่อไปไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังทหลักทำํำวิธีไหนในอะไรไม่มีข้อยกเว้นถ้าป่วยก็อย่าไปเป็นธรรมดาถ้าให้ป่วยแล้วค่อยไปเป็นธรรมดาค่ะอาจารคุณปรีดาวงสนิทครับเคยนั่งสมาธิแล้วนิมิตเห็นร่างกายของตัวเองกําลังเน่าเปื่อยทีละท่อนกําลังจะพิจารณาสักพักได้ยินเสียงเหมือนมีใครเอาก้อนหินหรืออะไรสักอย่างมาทุ่ม เสียงดังมากเลยครับก็เลยตกใจเมื่อออกมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับกบราดอภิษการเรียนถามครับมันเป็นยาการปรุงแต่ของจิตเพราะเราไม่มีสติเราไม่คอยกำกับใช้สติกากับจิตให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจไว้ให้เราไปดูนิมิตต่างๆพอไม่มีสติก็ปรุงใจตัวตัวความคิดปรุงแต่งของใจมันก็เลย เป็นอิสระมันจะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้นี่ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องวิธีนี่นั่งที่ถูกต้องเนี่ยต้องกําหนดจิตให้อยู่กับพุโทโธไปไรือยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวแล้วมีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเพราะเราต้องการให้จิตนิ่งจิตให้สงบไม่ให้มีอาการอะไรต่างๆอย่างที่เล่ามานี้ถ้าเราปล่อยถ้าเราทิ้งลมทิ้งพุโทโธแล้วมาดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นเดี๋ยวก็เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ท่ถามสกุณโยโยครับเพื่อนผมไม่ทานเนื้อวัวบอกว่าทานเนื้อสัตว์ใหญ่จะเป็นบาสรบกวนพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับคือการทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนี้ไม่บาปถ้าเราไม่ได้ฆ่าเขาเนื้อสัตวให้พู้อื่นฆาให้กับเราไม่บาปเพราะถ้ามันเป็นของที่ตายแล้วแเ้าเอามาขายตามท้องตลาดอันนี้คนกินเนื้อสัตว์นี่ไม่บาปแต่คนที่ฆ่าเนื้อสัตว์แล้วเอามาขายนั้นบาปยังต้องเข้าใจว่ามัน มันคนละเรื่องกันการกินกับการฆ่านี้คนละเรื่องกันกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่บาปถ้าฆ่าเนื้อสัตว์แล้วเอาเนื้อสัตว์ที่ฆ่านี้มากินถึงเรียกว่าบาปยังต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าแล้วเราไม่บาปถ้าเราไม่สั่งเขาว่าพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เอาเนื้อวัวมาสิบกิโลนะถ้าเราสั่งนี้เดี๋ยวเขาต้องไปฆ่ามาให้กับเรา อย่างนี้ก็ถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าก็ถือว่าบาปมนส่วนในการค่าแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งก็เลย <c oughs> เขาเป็นอาชีพของเขาที่เขาจะต้องค่าวัวค <c oughs> ่าเป็ดฆ <c oughs> ่าไก่แล้วเอามาขายตามท้องตลาดเราไปตลาดเราเห็นของตายแล้วเราซื้อมานี้ไม่บาปซื้อมาแล้วมารับประทานไม่บาปจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ไม่ไ ม, ไม่บาปเหมือนกันบาปก็ต่อเมื่อเราฆ่าหรือเราสั่งให้เขาฆ่าเช่นเวลาอาหารที่มี มีปลาอยู่ในอ่าง น, นี่แล้ชี้ว่าอาตัวนี้นะเอาตัวนี้เอาปลาทอดตัวนี้แล้วก็ช้อนปลาตัวนี้ออกจากอ่างแล้วก็ไปทอดให้เราอเนี้ยปลาครับแล้วเราถ้าเราเข้าไปในรานอาหารแล้วเราไม่ได้ไปชี้แล้วเราสั่งปลาล้ครับอาจ <c oughs> บารย์ก็บาก็ะเพรรู้ว่านอกจากเราสา่งว่าปลาที่ตายมีปลาที่ตายแล้วไหมอเออต้องมีเงื่อนไขก่อนแต่ถ้าบอกว่าไม่มีเขาจะต้องไปช้อนปลาในอ่างก็บาปเหมือนกถึงแม้ไม่เจอดจงว่าตัวใดตัวเนี้ มันก็ยังเป็นการสั่งให้เขาไปเอาป่ามาฆ่ายห้เรากินเร้นถ้าเราไปเจอร้านที่มีของเป็นเป็นอยู่เราต้องถามคนขายกันว่ามีเของที่ตายแล้วไหมถ้าไม่มีก็กินผัดผักไปก็แล้วกันถ้าไม่อยากจไม่อยากจะบา้าแต่คุณวันล้านไลค์ครับกรับเรียนพระอาจารย์ครับอ่านชาดกพระราชาชอบแกล้งคนแก่ให้หคาเมนตีลังกาแล้วหัวล้อชอบใจพระอินทร์ลงมาห้าม ถ้าทำอีกพระราชาจะตกนรกแก้งคนด้วยจิตขนองทำให้ตกอบายยิ่งแก้งคนด้วยอคติสี่ยิ่งตกนรกลึกกว่าลือครับก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปวิพากวิจารพระพรนไตไปดอกได้ก็ขอให้เชื่อตามที่ท่านสอนมาแสดงมาแล้วครับคำถามถูกรีเฟรชอีกแล้วครับอาจารย์ขออนุญาตครูนะครับได้ คำถามจะคุณธีรศักดิ์ครับนั่งกรรมฐานภาวนาพุทโธแล้วสักห้านาทีจะเข้าสู่สภาวะหลับเงียบหายเหมือนหลับเงียบไปไม่ได้ยินเสียงหรือเกิดภาพนิมิตใดๆดีหรือไม่แก้อย่างไรครับก็แสดงว่าไม่มีสติพอสติมีกาลังน้อยพอตั่งในสักพิเลยพอสติหายก็เหมือนคนหนอนคนนอนหลับก็ไม่มีสติคนนั่งสมาธิไม่มีสติก็เหมือนคนนอนหลับ ไม่รู้เรื่องรู้ลาวเลยทั้งสิ้นเพราะถ้าเป็นสมาธิจะรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้ามีสติจะรู้สึกตัวตลอดเวลาทำให้จิตนิ่งแล้วไม่นิ่งสงบหรือไม่สงบวิธีแก้ก็ต้องฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่งพยายามาฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาคือให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นร่างกายคอยเฝ้าให้จิตอยู่กับการลื่อนไหวการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคต อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ไกลที่ไกลให้อยู่กับร่างกายอยู่ในปัจจุบันถ้าเราสามารถบังคับจิตให้เหยื่อย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ตับคําคถามจ้าคุณพอลโลริโก ผ, ผูครับการธรรัศการพระคุณเจ้าครับขันห้าถ้าจะเรียงขันทั้ง5้าเริ่มจากรูปวิญญาณเวทนาสังขารสัญญาแบบนี้ถูกไหมครับกลับขอบพระคุณครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปเรียงมันได้เหมือนกับอ เช่นเครื่องสูบในรถยนต์เนี่ยมันมีแปดสูบ แ, แล้วสี่สูบเราจะเปไล่มาว่าสูบนี้ขึ้นก่อนสูบนี้ตามมาทีหลังบางทีมันมันมันแล้วแต่มันเป็นเหมือนวงวงกลมอ่ะงั้นมันไม่มจําเป็นที่ต้องไปเรียงมันขอให้รู้ว่ามันทําหน้าที่อะไร้ตัวไหนที่เป็นตัวปัญหาในในในในขนนันห้าในตัวที่เป็นปัญหาก็มีอยู่สองตัวคือสังขารกับวิญญาสังขารกับสัญญานี่นั้นเอง สัญญาก็คือการไปจําได้ไหมรู้ในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นตับที่เราไปจําได้ไหมรู้คือไปจําได้ว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยอันนี้เป็นความจําที่ผิดเราต้องมาแก้สัญญาให้ให้ให้ไปจําในความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราแล้วก็สังขารจะได้ปรุงแต่งไปในทางที่ถูกถ้าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราสังขารก็จะไม่มีความอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน แต่มถ้าของของคนอื่นนี่เราเดือดร้อนไหมของคนอื่นจะอยู่กับเราแล้วไม่อยู่กับเราจะไปแล้วไม่ไปนี่เราไม่เดือดร้อนไม่กังวลแต่พออะไรเป็นขอ ง, ของเราปั๊บนี่เราอยากจะให้มันอยู่เป็นของเราทันทียังให้มาแก้ที่ตัวสัญญาตัวเดียวด้วยการสอนใจสอนสัญญยาวาต่อไปนี้ต้องมองทุกอย่างว่าเป็นไต่รับไม่ใช่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเรา พอเราเห็นอย่างนี้เราสังขารจะได้ไม่ปูแต่จประหยัดให้มันเที่ยงแท้แน่นอนประหยัดให้มันเป็นของเราไปตลอดพอเราสังขารไม่ปูแต่งแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาอันนี้โดยการแก้ปัญหาการรู้รู้วิญญาณวิทาสังขารมันไม่มีอะไรมามาก่อนมาหลังมันมาพร้อมๆกันง่ายๆมันทํางานไปเป็นทีมเหมือนรถยนต์เนี่ยมันไปมั้นเป็นมันแบเป็นทีมพรับส่วนนั้นมันอยู่ด้านหน้าส่วนนั้นมันอยู่ด้านหลังนั่นเอง เช่นร่อหน้ามันก็อยู่ด้านหน้าร่อนหลังมันก็อยู่ด้านหลังถ้าเดินหน้าร้อหน้ามันก็มาก่อนแต่ถ้าถอยหลังร่อนหลังมันก็มาก่อนเอง <culpa> แล้วมันไม่มีมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องรู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังขอให้รู้ว่าตัวไหนเป็นปัญหาแล้วแก้แก้ปัญหานั้นให้ได้ปัญหาคือตัวที่สร้างความทุกข์เอกเราก็คือสัญญาคือไปความจําได้ไหมรู้เนี่ยในสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่จําได้ไหมหรือเหมือนคนสมัยก่อนไปจําได้ไหมหรือว่าโลกนี้แบบ ก็เราไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆเพราจะกลัวเดี๋ยวจะตกออกจากขอบโลกไปท่นั้นเองมาแก้สัญญาว่าไม่มีอะไรทิ้งแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของหลังสำคัญจะได้ไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้อยู่กับเราไปไม่เปลี่ยนแปลงเท่นั้นเองแล้วเราก็จะไม่ทุกข์คุณสุนทรครับราการรัมศักดิ์อาจารย์ครับการทําบุญแบบไหนได้บุญสูงสุดครับ มุนมันมีสาระดับมีทานศิงแล้วก็การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนาก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราจะทําบุญระดับไหนได้เพราะในแต่ระดับนี้มันก็มีความยากง่ายต่างกันระดับง่ายที่สุดก็คือการทําบุญทําทานผลที่ได้ก็น้อยที่สุดลำดับที่สองก็ยากกว่าการทําบุญทําทานคือการรักษาศิลห้าสิงแปดถ้าทําได้ก็จะได้บุญมากกว่าการทําบุญทําทาน ลําดับที่สามก็ยิ่งยากกว่าการรักษาสิ่งหน้าสิแปดสิ่สองอยิบเจ็ดก็คือการปฏิบัติธรรมนั้นถึงแม้ว่ามันจะได้บุญมากคือขั้นสูงแต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็อยากอยาไปอยา ก, ยากพึ่งไปทําเลยเพราะจะจะไม่ได้บุญเลยเพราะกว่าจะได้บุญนี้มันอาจจะใช้เวลาหลายปีด้วยกันนั้นอะไรยังต้องการบุญต้องการความสุขใจอยู่ทําในบุในระดับที่เราทําได้ไปก่อนแล้วค่อยพยายามฝึกในระดับที่สูงกว่า ไปที่ก่อนจะดีกว่าคือทํบุญทำทานไปแล้วก็หัหนรักษาสิ่หน้าให้ได้ก่อนรักษาสิ่หน้าได้แล้วหันรักษาสินงแปดพอรักษาสินงนะแปดได้ก็สามารถที่จะไปฝึกสมาธิได้ฝึกสติได้ปฏิบัติธรรมได้นี่คือบุญขั้นสามขั้นที่มีมีความนอามากน้อยต่างกันขั้นแรกก็จะน้อยกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองก็จะน้อยกว่าขั้นที่สามแต่เราจะไปที่ขั้นที่สามเลยไม่ได้ เนความรู้ที่เราเรียนรู้ระดับมหาลัยนี้มันเป็นความรู้ที่สูงกว่าครับระดับมัธยมระดับมัธยมก็สูงกว่าความรู้ระดับประถมแต่เราก็ต้องไต่เต้าจากระดับประถมไปสูงมัธยมไปสูงระดับปริญญาตามลาดับต่อไปคํถาถามจากคุณโมโจครับการสวดมนต์มีอันที่สองอย่างไรบ้างครับการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสตินี่เองให้จิตเรา ให้ตั้งมันอยู่ก้างเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการสวดมนต์ไม่ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตบางทีเราทํางานกลับมาบ้านเราอยากเอางานกลับมาที่บ้านถังใจด้วยคิดถึงงานที่เราทําอยู่ที่ที่สำนักงานถ้าเราต้องการทําใจให้ว่ามันก็ต้องใช้สติคือลบมุความคิดที่คิดไปถึงอดีตด้วยการนุกสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปเราก็ต้องจดจ่อยอยู่ก้างสวด อยู่กับการสวดเราก็จะลืมเรื่องที่เราทำเรื่องที่ทางานไปเป็นการฝึกสติเป็นการ เ, เคลียร์เคลียร์ความคิดปุงแต่งที่ข้างๆอยู่ในใจความคิดเรื่องอดีตก็ดีเรื่องอน า, าคตก็ดีให้จิตกลับมาอยู่กับความว่างในปัจจุบันคำ ถ, ถามเจ้าคุณเล็กครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิเกิดปิติจนไม่อยากออกจากสมาธิเราควรทาอย่างไรต่อครับ ก็นั่งต่อไปสิมันมีปิติในความสุขจะไปไหนล่ะนั่งมาเพื่อจะให้ได้สปิติได้ความสุขพอได้แล้วก็จะเปหนีมันเหมือนก็ไม่ถูกเหมือนเรากําลังมีความสุขกับคนที่อยู่แล้วเราอยู่ดีๆว่าต้องไปทํางานนั้นเราจะทิ้งเขาไว้หรือเปล่าเราบางคนขอลางงานเช่นเดียวกันไปเนี่ยขา อ, อยู่กับคนนี้ไปนานๆให้พราะมีความสุขกับเขาอันนี้ก็เหมือนกันแมานั่งสมาธิก็จะได้ความสุขแบบนั้น พอได้ความสุขแล้วเก็ไม่อยากจะทิ้งมันเมื่อไม่อยากจะทิ้งมันก็อยู่กับมันไปก่อนไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับความสุขที่ได้จากสมาธิจากคุณหนูนานาครับกลาวธรรมัตการเจ้าขา ข, าขออนุญาตถามค่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักทําไมชอบง่วงคะอ๋อสติหมดนั่นเองเพราะหมดสติมันก็ง่วงมันก็จะหลับเพราเรามีสติน้อยเราไม่เสริมสร้างสติให้มีมากๆกก่อนที่เรามานั่ง เังน้นควรที่จะฝึกสติให้มากๆก่อนทั้งวันเวลามานั่งจะได้มีสติเยอะจะทําให้ไม่ง่วงจะไม่หลับแต่คุณมนทิพย์ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําบุญกับวัดทางที่ใจยังอยากทําแต่ต้องแบ่งปันไปช่วยเรื่องโควิดตามสถานที่ต่างๆมากมายรู้สึกไม่ค่อยสบายใจขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเรื่องการวางจิตในช่วงนี้ด้วยค่ะการนาบุญนี่ทํากับใครก็ได้บุญเหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องทํากับวัดเพียงอย่างเดียว ทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทำกับผู้ยากไร้ก็ได้บุญเหมือนกันถ้าปริมาณของการทำบุญเราเท่ากันเช่นการบริจาคเงินก้อนนี้ให้กับโรงพยาบาลให้กับวัดให้กับโรงเรียนเราก็จะได้บุญเท่ากันเราสามารถเลือกได้และบางทีเราจําเป็นจะต้องเลือกเพราะว่านั้นขึ้นอยู่กับความจําเป็นว่าตอนนี้ที่ไหนต้องการความช่วยเหลือมากกว่ากัน ตอนนี้โรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลือมากกว่าวัดก็ต้องมุ่งไปที่โรงพยาบาลถ้าวัดต้องการความช่วยเหลือมากกว่าโรงพยาบาลก็ต้องมุ่งไปที่วัดต้องดูสถาน ก, การณ์คำถามจากคุณธีรติครับการทําบ้านเป็นวัดต้องทําอย่างไรครับก็เหมือนกับที่วัดเขาไม่มีทีวีเราก็ต้องปิดทนะีวีแล้วทีวีเคาเตอร์ของต่างๆที่เราหาความสุข เพื่อทางตามกูจะบอกเรื่องการนี่ทางวัดเขาจะไม่ให้มีเราก็ต้องเอาไปเก็บไว้คือเราต้องทําห้องใดห้องห้ใดห้องหนึ่งให้เป็นห้องว่างไม่มีอะไรเลยแล้วเราถือว่าห้องนั้นเป็นวัดได้มีแต่ที่นั่งที่นอนที่ปฏิบัติธรรมก็ทําเหมือนเหมือนเวลาเราไปอยู่วัดก็มีห้องพักให้เราอยู่มีอะไรไม่ใี่ห้องพักในวัดไม่มีใช่ไหก็มีแต่ที่นอนเท่านั้นเองมีหมอนกับเสื่อให้เรานอนแล้วก็ห้องน้ําให้เราใช้ อันนี้แหละคือการทําบ้านให้เป็นเหมือนวัดก็คือต้องทําให้ไม่มีอะไรเลยถ้ามี เ, เราก็แยกมันเป็นส่วนไปจัดห้องให้ห้องให้เป็นวัดไปคือห้องนี้จะเป็นห้องที่เราปฏิบัติธรรมเราจะขังตัวเองอยู่ในห้องนี้เราจะไม่มีตู้เย็นไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรทัน์ไม่มีอะไรให้เรารับรู้กับเรื่องราวต่างๆทางตามจมูกนิ่งกายเลยนี่คือการทําทําบ้านให้เป็นวัด แล้วนอกจากนั้นพอมันเป็นห้องมันเป็นวัดแล้วเราก็ต้องปฏิบัติธรรมถึงจะเป็นวัดด้วยไม่ใช่ห้องมันเป็นวัดแล้วก็เข้าไปนอนหลับอย่างเดียวไม่ปฏิบัติธรรมไม่ไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิมันก็ยังไม่เป็นวัดการเป็นวัดมันต้องเป็นวัดทั้งสถานที่และจิตใจควบคู่กันไปคําถามจากคุณเรนนี่ครับหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วควรแผ่เมตตาว่าอย่างไรดีคะความจริงไม่ต้องแผ่หรอก การแผ่เมตตาต้องแผ่เวลาที่เราพบปะกันการแผ่คนเดียวนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการแผ่เป็นการจินตนาการเท่านั้นเองว่าเราวันนี้เราได้แผ่เมตตาให้วันนั้นคนนี้นะไม่ได้แผ่หรอกจะแผ่ก็ต่อเมื่อเราเจอเขาเจอเขาแล้วทักทายเขาสวัสดีจ้าขอให้คุณมีความสุขมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการนั่งสวดนั้นการสวดนี่เป็นการฝึก สอนจิตให้ร้ว่าเราต้องแผ่เมตตาแล้วรู้ว่าวิธีแผ่เมตตามีอย่างไรบ้างท่านก็สอนไว้สี่ลักษณะเอาเวลาหอนตุอย่าจองเวรกันอปยาปชาหอตุอย่าเบียดเบียนกันอานิฆาหอนตุอย่าทําให้ร่างกายและจิตใจของกันและกันสุขีอัตนาภิริหารอนตุให้ทําให้เขามีความสุขเช่นซื้อขนมมาฝากเขาในวันเกิดเขาก็ซื้อเค้กมาให้เขาซื้ อ, อวามขัญมาให้เขาอย่างนี้ เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาต้องทําด้วยการกระทําไม่ใช่มานั่งสวดอย่างเดียวการสวด น, นี่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาคําถามชกคุณสุปกรครับศาสพระอาจารย์ครั บ, าา น, รบนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธบริกรรมไปพุทโธหายอยู่กับความนิ่งหนึ่งให้ทํำยังไงต่อครับหรือดูตามจิตที่นิ่งสองพอออกมาจากนิ่งมีลมหายใจบริกรรมพุทโธต่อแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เวลาที่จิตนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทาอะไร จิตนิ่งสงบก็ถือว่าเราได้ทำได้ได้ส่งจิตไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วคือให้จิตนิ่งสงบแล้วได้อยู่กับความนิ่งนี้ไปให้นานที่สุดเท่าที่ยานานได้พอจิตเริ่มมีการพุโทโธมีการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พุโทโธต่อมล้วดูลงต่อถ้ า, าอยากจะให้จิตนิ่งต่อไปคําถามจากคุณอินฟินิตี้ครับกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเราจะเข้าถึงและรู้จิตแท้ของเราได้อย่างไรเจ้าบ้างเจ้าคะ ก็เนี่ยเราต้องเข้าสมาธิจนจิตสงบนิ่งเข้าสู่ระดับฌานสี่ได้จิตว่างจากแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาหรือแต่หรือแต่จิตตัวเดียวเราก็จะเห็นจิตแท้ว่าเป็นอย่างไรถ้าพอจิตปรุงแต่ว่ามันก็กลายเป็นจิตสมุทต์ขึ้นมาทันทีเพราะมันจะปุงแตกไปตามที่มันได้รับสอนมาปูงแต่ว่าเราเป็นหมอเป็นพระเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรร้อยแ800ดันประกาศ แตพอจิตสงบปั๊บการคิดปรุงแต่งนี้หยุดปั๊บจิตก็เหมือนกันทุกดวงยจิตแท้เหมือนกันทุกดวงเลยเป็นสัตว์แต่ว่าเป็นผู้รู้อย่างเดียวคำถามจ้าคนไก่ครับกรับเรียนถามอีกข้อนะเจ้าคะการเดินจงกรมจะต้องเอาจิตอยู่กับลมหรืออยู่กับเท้าที่เดินเจ้าคะการเดินจงกรมนี้อยู่ที่เท้าดีกว่าดังที่อยู่ที่ลมเพราะล ม, มละเอียดมันดูยากกว่าอยู่ที่เท้ามันง่ายกว่ามันจะทําให้เรามีสติได้ดีกว่า อยู่ที่รมแต่ถ้าเราถนัดที่จะดูลงไปก็ไม่ห้ามนะแต่ถ้าที่สังเกต ด, ดูนี้ดูที่เท้ามันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราดูที่ลมได้ก็ก็ได้เหมือนกันป้าหมายก็คือให้จิตไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆคำถามพิกลอัจฉราครับอยากถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าแม่เข้าพรรษาแต่แม่อยากอดอาหารกินข้าวมื้อเดียวเพราะแม่คิดว่าได้บุญมากจริงหรือคะก็เป็นการ เป็นการสร้างสร้างกำลังให้กับจิตการกินมื้อเดียวนี้จะทําให้เรามีพลังที่จะชนะความอยากต่างๆได้ความอยากในอาหารได้เราก็จะทําให้จิตเราสงบได้ง่ายกว่าถ้าเรากินหลายมื้อความอยากมันก็จะมีหลายรอบความอยากนี้เป็นตัวที่จะทําให้ใจเราทุกเวลาอยากกินแล้วไม่ได้กินขึ้นมาในการที่เรากินมื้อเดียวนี้เป็นการลดละความอยาก ที่เป็นต้นเหตุของการสร้างความทุกข์ให้กับใจพอเราลดละความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขในใจก็จะมีมากขึ้นต้อเร็ยกว่ามีปุ่มมากขึ้นนั่นเองคํถาถามจากคุณจุรินยาครับกลาวเปลี่ยนถามพระ อ, อาจารย์ค่ะตอนนี้ฝึกนั่งสมาธิค่ะเราควรฝึกนั่งสมาธิวันละกี่นาทีถึงจะดีคะขอขอบคุณค่ะเ อ, อฝึกให้มากที่สุด ได้กี่นาทีก็เอาให้มันเต็มที่ตามกําลังของเราไม่ต้องไปกําหนดเวลานั่งไปรางก็พยายามให้มีฝึกสติถ้ามีสติ ด, ดีก็น่าจะนั่งได้นานถ้ามีสติไม่ดีก็จะนั่งไม่ได้นานงั้นอย่าไปดูที่เวลาให้ดูที่กําลังของสติของเราถ้าเราอยากจะนั่งนานๆล้วก็ต้องฝึกสติให้มีกําลังมากมาก คำ ถ, ถามจากคุณยอดชายครับกราบธรรมสการพระคุณเจ้านั่งสมาธินั่งท่าไหนก็ได้ใช่ใช่ไหมครับก็ต้องอยู่ในท่าน้างเป็นงแต่ว่าอาจจะนั่งขัดสมาธิกไ็ได้นั่งปรับเทียบก็ได้หรือนั่งบนโต๊ะบนนั่งบนเก้าอี้แล้วนั่งบนขอบเตียงก็ได้อันนี้แต่ต้องนั่งนิ่งๆเฉยๆจิตถึงจะสงบเป็นสมาธิได้ คำถามจ้าคุณมณดาครับเวลานั่งสมาธิาแล้วรู้สึกมีความเย็นเข้ามาในใจแค่แวัดเดียวเป็นอาการอย่างไรเจ้ า, าค่ะก็เป็นความสงบช่วแวัดเดียวเอเราก็เรียกว่าสคันนิกาสมาธิถ้าเย็นเป็ น, น, นานๆก็เรียกว่าอัปนาสมาธิจะคุณจอยครับกาบเรียนถามค่ะจะทราบได้อย่างไรว่าจิตเข้าสู่กระแสรพระโสดาบันคะกาบพระคุณค่ะอาจารย์ก็เราปล่อยวางร่างกายได้ ปวางความเจ็บปวดของร่างกายได้ไม่เดือดร้อนกับมันร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะรู้ว่าเราเป็นโสดาบคำน า, ามจากคุณสุพชัยครับนั่งสมาธิจิตเห็นกายได้ยินความคิดเห็นภาพความคิดได้ยินสิ่งรอบตัวแต่ไม่ปรุงแต่งกลับมาสติเป็นแบบนี้เรียกว่าสมาธิใช่ไหมครับถ้าจิตนิ่งเฉยไม่มีอารมณ์ก็เป็นสมาธิไดไไไ้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่ดลงกับ ความสิ้นภาพที่ได้เห็นด้วยความคิดที่ยังมีจิตเฉยๆไม่มีอารมณ์กับอะไรก็เรยว่าเป็นการได้สมาธิในระดับนคําถามจากคุณสมบัติครับแต่ก่อนนั่งสมาธิเคยเข้าพวังได้แต่ปัจจุบันไม่มีเลยเป็นเพราะอะไรครับเพราะมีสติน้อยนั่นเองต้องฝึกสติให้มากขึ้นเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ก็วังได้ ถ้าไม่มีสติก็จะถูกความคิดหนึ่งไปคํถาถามจากคุณกบครับชอบนอนฟังธรรมแล้วหลับไปเลยบ่อยๆจนเช้าจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกแต่ว่าจะไม่ได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมด้านหนงจะได้ก็เฉพาะช่วงที่ยังไม่หลับพอหลับแล้วก็จะไม่ได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมถ้าอยากจะได้บุญเต็มร้อยก็ต้องนั่งฟังไปจะได้ไมหมล่ะ จน ก, กว่าจะการฟังธรรมจะสําเร็จลงแล้วเราค่อยนอนถ้านอนไปเลยไม่ดีทําได้เพียงห้านาทีก็หลับไปแล้วส่วนธรรมก็ยังแสดงต่อไปถึงชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฟังธรรมหลังจากที่เราหลับไปแล้วจะไม่บาปจากคุณวันร้านไลค์ครับผมเคยนอนทําสมาธิแล้วหลับไปพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกลืมตาขึ้นคือใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกเหมือนได้นอนหลับไปแป๊บเดียวไม่มีอาการง่วง มือนได้นอนเป็นอิ่มไม่ฝันอันนี้ตนเองก็รู้สึกแปลกใจอันนี้ดีหรือไม่ครับก็ดีในเรื่องของการนอนเลยแต่ไม่ไดีไม่ได้ดีในเรื่องของการฝึกสมาธิการฝึกสมาธินี้ต้องไม่หลับต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือว่าจิตสงบนได้สัมผัสกับความสุขวิเศษที่เราไม่เคยสัมผัสมา ก, ก่อนต่างกันคาถา ม, ถามจากคุณสายฝนครับ น้อมกราบธรรมการท่านพระอาจารย์เจ้าขาเราเห็นว่ากายไม่ใช่เรามันคือเหตุแห่งทุกข์มันไม่สวยไม่งามแต่ยังเห็นว่ากายคนอื่นยังงามอยู่เราควรพิจารณาอย่างไรดีเจ้าคะกราบขอบพระคุณในความเมตตาค่ะก็ต้องดูร่างกายของคนอื่นว่ามันไม่สวยไม่งามมีอาการซาร์สสองเหมือนกับร่างกายของเราต้องเห็นอวัยวะต่างๆที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกนี้เห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้ ใช่อย่างนี้แล้วความการที่เห็นกล้าร่างกายของคนอื่สวยงามมันก็จะหมดไปดังนั้นต้องพยายามฝึกดูอยู่บ่อยๆดูอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจำได้พอนึกถึงภาพมันปั๊บมันก็จะผลดขึ้นมาทั้งทั้งหมดเลยอันนี้กยมันก็จะทําให้เราอ น, นี้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเลยไราว่าจะเป็นของไทยก็ตามของเราหรือของไทยก็เหมือนกันหมด มีสิ่งสปกปรกสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ในร่างกายนี้คำ ถ, ถามจากคุณพัดครับทะเลาะ ก, กับพ่อแม่บาปไหมคะถ้าบาปมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะถ้าไม่บาปหรอกถ้าไม่ไปทุกตีพ่อแม่ทำล้ายพ่อแม่การทะเลาะกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรทำทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ตัวเเราก็ต้องแก้ไขด้วยการคิดว่าพ่อแม่ น, นี้เป็นเหมือน พระเหมือนเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระอ า, หารหันต์สิ่งที่พ่อแม่พูดก็เป็นคําสั่งคําสอนเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ฟังก็ฟังท่านไปท่านจะมีความเห็นอย่างไรท่านจะพูดอย่างไรเราไม่ต้องไปถกเถียงกับท่านถึงแม้เราจะรู้ว่ามันไม่ถูกก็ตามมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปเถียงไม่บอกท่านก็ปล่อยท่านพูดไปเรามีหน้าที่ฟังก็ครับผมไปเจ้าค้าไป จบแล้วก็ผ่านไปส่วนเราจะไปทําตามหรือไม่ก็ต้องวิเคราะห์อยูอีกทีว่ามันถูกหรือไม่มันเป็นบุญหรือเป็นบาปทั้งนั้นเองไม่มีความจําเป็นจะต้องทะเลาะกันเราต้องรู้สถานภาพของเรากับท่านว่าเป็นอย่างไรเราเป็นผู้รับคําสอนท่านเป็นผู้ให้คําสอนเราไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่เราจะไปสอนพ่อแม่ได้เราเป็นเพียงแต่ผู้รับฟังพ่อแม่เป็นผู้สัง่งผู้สอนเรา แต่เรามักจะชอบทําตัวไปเหมือนพ่อแม่ไปสั่งสอนพ่อแม่ด้วยก็เลยทะเลาะกันเนะื้องั้นเราต้องรู้จักบทบาทของเรากับพ่อแม่ของเราว่าเรามีบทบาทอย่างไงแนะ่ถ้าเรารู้จักบทบาทแล้วทําตามบทบาทแล้วจะไม่มีปัญหาจากคุณเจครับนั่งสมาธิจับลมหายใจที่จมูกและท้องไปด้วยกันควรทําอย่างไรครับควรจะเริ่มเราที่ใดที่หนึ่งไปนี่กว่าเราที่ท้องหรที่จมูก แต่ไปอยู่ที่สองที่เพจะทําให้จิตกลับไปกลับมาจิตก็จะไม่มีวันนิ่งได้นะต้องเลื่อกเราที่ใด้ที่หนึ่งบังคับให้มันอยู่กับที่ใดที่หนึ่งไปเพที่เดียวจากคุณพัชราครับเปลี่ยนถามอาจารย์ค่ะเวลานอนจะกําหนดพุดโทโธไปจนหลับอันนี้ถือว่าเราได้ฝึกจิตไหมคะไม่ได้ฝึกนะอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกหลับฝึกให้จิตหลับแต่ไม่การฝึกจิตการฝึกจิตเนี้ต้องการฝึกจิตให้ตื่น อารปส้จารย์สคุณคีคามครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตอนนั่งสมาธิแลปวดขามากตอนนั้นให้จิตจดจ่อกับคําบริกรรมพุทโธโดยไม่ไปสนใจความปวดหรือว่าต้องมาดูที่พัฒ น, นาความเจ็บปวดนั้นว่ามันแยกต่างหากจากร่างกายและแยกต่างหากจากจิตคะกราบสาธุ ค, ค่ะก็รับแต่ว่าเราสามารถทําอย่างไรได้ทําให้จิตเราสงบได้ ถ้าเราอยู่กับคำเรียนคำพุโทโธไม่ไปสนใจกับความป่วยจิตก็จะสง บ, บได้หรือว่าถ้าเราจะเน้เวทนาความเจ็บปวด น, นั้นเรายากให้มันออกจากร่างกายไนดะ้แล้วปล่อยให้มันเจิตไปโดยที่จิตเราไม่วุ่นวายไปกับมันก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เรามีความสามารถในระดับไหนก็ทําไประดับแรกก็เรียกว่าเป็นอุบายของสติระดับที่สก็เรียกว่าอุบายของปัญญาการแยกกายกออกจากออกจากใจออกจากเวทนา แยกเรียกอะไรแยกรูปแยกนามไงร่างกายเป็นหนึ่งเวทนาเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งคนละส่วนกันคําถามจากคุณจันกดาครับผู้ที่ปรรลุนั้นท่านมีจิตเป็นอุเบกขาตลอดเลยใช่ไหมคะจิตจะสามารถเห็นอริยสัจสี่ตลอดเลยใช่ไหมคะถ้าขั้นสูงสุดก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ขั้นยังไม่สูงสุดนี่ก็จะเป็นอุเบกขาเฉพาะส่วนที่ท่านละได้ส่วนที่ท่านยังรลบไม่ได้ก็ยังมีความลบชั่งปวดลง จากคุณชนกพรครับกราบธรรมศสการพระอาจารย์ค่ะชอบฟังธรรมะและสวดมนต์แต่เวลานั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านนั่งได้แป๊บเดียวจะมีอุจะมีอุบายทําให้จิตนิ่งอย่างไรดีคะก็สวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปนานๆพอสวดเสร็จใจรู้สึกเบาสบายเย็นแล้วก็ลองนั่งต่อจากคุณสุอาภาเวลาภาวนารู้ถึงการเต้นหัวใจตามมือตามคอจนหลับผิดถูกอย่างไรเจ้าคะ ก็นั่งแบบไม่มีสติไงถ้ามีสติต้องไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆให้สนใจอยู่กับลมหรือกับการบริกรรมพุโทโธเพียงอย่างเดียวการถวายกระชายขิงขมิน้นไพรสดๆเจตนาเพื่อให้พระได้นําไปต้มดื่มและหัวสามารถไปปลูกในเขตวัดได้พอคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อพระและผู้ที่อยู่ในวัดได้บ้างในอนาคตการถวายผักสดที่ยังปลูกได้นี้จะทําให้พระผิดวินัยไหมเจ้าคะ ถ้าเป็นของที่มันยังไม่ตายก็ยังไปปลูกได้นี้ก็ต้องมีทางการทําพิธีก่อนคือต้องมีการทําลายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพริกนี้มันมีเมล็ดอยู่ในพริกที่สามารถที่จะเอาไปปลูกได้ก็ต้องให้ญาติโยมผู้ถวายนั้นหักพริกนั้นออกไปเขาเรียกทางการทรํากัปปิยะซึ่งเป็นการเหมือนกับทําลายพริ ก, กนั้นให้มันตาย อันนี้ก็เป็นเพลงอุบายวิธีนั่นเองจะถวายได้แต่ต้องมีการทบกับปริยะก่อนถ้าเป็นผักบุ้งนี้ก็ต้องหักมันก่อนถ้าเป็นพวกผลไม้ ก, ก็ต้องในการฉีกเปลือกออกไปก่อนเพลงทำเป็นตัวอย่างตัวเดียวไม่ใ่ต้องทําทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นการทําพิธีความหมายก็คือว่าได้ถวายของที่ตายแล้วเพราะพระเอา บ, บ, บ, บริโภคของที่เป็นนี้ก็ สมัยก่อนก็าถือว่าเป็นการทำปานาติบายเพราะเขาคิดว่าผลไม้ผักนี้มีโ ย, ยมิญญาณเหมือนกับเหมือนกับสัตว์ ก, กับบุคคลพระุจาก็เลยบอกให้ทำกับปิยะก็คือให้ทำลายผักหรือผลไม้ที่มันทำลายแบบฉีกเปลือกออกมานิดหนึง่งอะไรทำนองนี้เท่านั้นเองแต่อย่างพระก็ไปปลูกไปอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอาาไปปลูกคือบะาพูก ป้าพระนี่ไม่สามารถที่ไปขุดดินเองได้แต่สังลูกศิษย์ให้ทําได้อยู่เช่นบางทีวัดป่าที้บางทีสมัยก่อนมีคนมาทําบุญเนาะนี่พระองปลูกพวกผลไม้ให้พวกกล้วยพวกมะละกอพวกสับปะระดเต็มวัดตปวมดเลยเขาจะได้อาศัยผลไม้เหล่านี้แต่พระจะไม่ได้ทําเองเพียงแต่จะบอกลูกศิษย์ผู้ที่เขาไม่ได้เป็นบบนักบวชนี่ให้ก็สามารถขุดดินให้ปลูกให้ได้ คำถามจากคุณจันจิราครับกลาวธรรมสการพระอาจารย์ค่ะฝึกนั่งสมาธิได้สักพักนั่งได้ไม่นาน3าถึงหนาทีรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากรู้สึกเหมือนถูกบังคับกระวนกระวายไม่อยากนั่งทั้งนั้นที่มีความคิดที่จะฝึกปฏิบัติควรทาอย่างไรดีคะคือโดยธรรมชาติของของกิเลส ท, ที่มีในจิตนี้มันไม่ชอบอยู่นิ่งๆมันชอบมีอะไรเสรียงเช่นดูรูปฟังเสียงถ้านั่งดูหนังนี่สองชอง่วโมงรู้สึกผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่พอไอ้นั่งอยู่กับดูพุโทโธ ดูลมนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออดัดขึ้นมาเพราะมันไม่มีรสไม่มีชาดเนี่ยเราก็ต้องฝืนมันบังคับมันการที่จะฝืนหรือบังคับมันได้ต้องมีสติเน้นพยายามฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งหัดท่องพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันก่อนแล้วเวลามานั่งเราก็จะสามารถท่องพุโทโธพุโทโธไปได้เราจะรู้สึกว่าเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเราจะไม่รู้สึกหรือตั้งสามทุ่มครึ่งนะครับอาจารย์ขออีกคําถามแถบนะครับอาจารย์ครับ แต่คุณโบครับพ่อและแม่หนูเสียไปแล้วหนูต้องทํายังไงพ่อและแม่ถึงจะได้ผลบุญที่หนูทําไปคะก็อุทิศไปไงทุกครั้งที่เราทําบุญเช่นใส่บาตรเสร็จเราก็รับก็อุทิศไปจะกวดน้ําก็ได้ไม่กวดน้ําก็ได้ว่าอันนี้เป็นเพียงแต่พิธีกรรตัวที่เราส่งไปจริงๆก็คือบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่เราได้เกิดจากการทําบุญห วเวลาทําบุญแล้วเราเสร็จมีความสุขใจแล้วก็ระลึกภายในใจไปว่าข อ, องจิตบุญคือความสุขใจนี้ให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วส่วนเขาจะรับหรือไม่รับที่อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานภาพาใจถ้าเขาไปเกิดแล้วเขาก็จะไม่มารอรับส่วนบุญส่วนนี้เนืองจากเขาเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารับบุญเพราะเขามีบุญมากนอกจากพวกที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าเปรตเทนั้นที่จะมาคอยรอรับส่วนบุญของเรา แต่เราก็ไม่รู้เราก็ทําไปตามหน้าที่ของเราก็แล้นทำบุญเสร็จก็อุทิศไปวันแล้วใช่ไหมวันนี้จริงๆมีคําถามเยอะเลยครับอาจารย์ครับโอ้โหแล้ววันที่นิวไฮครับอาจารย์คนอ่าน 2,500 กว่าคนนะครับคนเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วครับผมทั้งหมดรวมกัน 2,582 คนครับในช่องทางนี้ดีมากแสดงว่าเป็นคนรักนะก็การ้ทศนาครับผม ก็พระอาจารย์เวตามาครับผมได้ประโยชน์เยอะเลยครับผมนั่งคุยกับพระอาจารย์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบเอ็ดครับผมยังรู้สึกตัวสิบเอ็ดครั้งแล้วครับผมผมรู้สึกตัวเลยว่าผมดีขึ้นเลยครับอาจารย์ครับงานนี้ก็ถ้าถ้ายังมีความสนใจอยู่แล้วก็ทํานี้ต่อไปครับอาจารย์ครับยันก็คิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพ่งที่เจจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดเวลาไปก่อนนะคุณหมอแล้วทุกท่านที่ติดตามอย่างนี้แล้วพบ ก, กันใหม่อาทิตย์หน้าครับขอบคุณพระจารย์นะครับ